อาจารย์ครับกลาวนมศัการครับเจริ์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่ร้อยสิบหกแล้วครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเฮ้ยพระอาจารย์ครับวันนั้นที่วันพระที่ผมได้ไม่โอกาสเดินตามพระอาจารย์บินทบาทนี่พันกว่าคนใช่ไหมครับคนสายบาทยังไม่ถึงประมาณเก้าร้อยยี่สิบโอ้เกอยี่สบวันที่เป็นวันอาสาฬหบูชานะ อ่าวัานนั้นเก้านนเลยผมนึกว่าถึงพันแล้ ว, วแล้ววันนี้คนเยอะไหมเกือบเกือบวันนี้วันนี้ก็หรือจะสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสามร้อเจ็ดสิบเจ็ก่อนเข้าขเรื่องขออนุญาตเล่าเรื่องให้พระอาจารย์ฟังนิดหนึ่งครับพระอาจารย์วันนั้นที่เทศที่ผมจัดรายการหน้ากุดนะครับแล้วผมเจองูที่ขุดพระอาจารย์ก็เจองูเหมือนกันใช่ไหยครับข้างๆม้ามาลองคืนนั้น้องที่มันลองก็ เจองงมากโอ้โอ้ผมกนนี้เขามาเห่าผมที่ใต้ครับคือทั้งสองอย่างครับรถขึ้ผมขับรถขึ้นเขาก็เจอตัวใหญ่มากเลยครับอาารก็เออพอดีเป็นธรรมดาแถวนี้มีมีสัตว์เลื้อยคลานเยอะเพราะโดยเฉพาะที่กุฏิที่ที่ที่ข้างๆนี้เขามีเลี้ยงสัตว์ไว้หลายตัว ด้ายชนิดเลยมีเป็ดมีหมูมีอะไรอ๋อฮึมท่านจะมามั น, มนจะ ม, นมาหากินกันาหากินก็ไม่เป็นไรก็เนะป็นธรรมดาก็มาก็จับเพืนไปแล้วก็ไปปล่อยในป่าต่อไปอเดี๋ยวว่ากลับมาอีกเี๋กลับไาอีกกครับ พระอาจารย์ครับเนื่องจากว่าเพิ่งผ่านอาสาละหบูชาครับก็เลยอยากจะฟังธรรมจักที่แปลเป็นไทยที่ที่พวกเราจะสามารถไปปฏิบัติได้ง่ายๆครับพระอาจารย์ครับกลับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับก็คือโดยสรุปเนี่ยพราเราก็จำลายเรียนทั้งหมดไม่ได้เท่าที่จำได้ก็พระเจ้าทรงแสดงทางสู่การหลุดพ้นจากองอทุกเรกว่าทางทรงเรียกว่าทาสายกลาง เพรมันอยู่ระหว่างทางสุดตรงอีกสองทางทางหนึ่งก็ทางของผู้คลองเดินคาววะญาติาอยู่เรื่องการวิธีหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกามาสุขคิดว่าถ้าเรามีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสมีลาภยศสรรเสริญเราจะมีความสุขกันเราจะไม่มีความทุกข์กันแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์เวลาที่เกิดร่างกายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตาย เวลาต้องพัดพาจากคนที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักเดยเวลาที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาความทุกข์วิญญาณเกิดอยู่เาให้เราเล่มโดยขนาดไหนเป็นใหญ่เป็นโตอะไรระดับไหนมีคนให้เราวิ่รางวัล อ, วอะไรต่างๆมากมายเพียงไรมีมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมากมายเพียงไร ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจที่เวลาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายละเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาหรือสูญเสียสิ่งที่เรารักไปได้พระเจ้าเคยใช้วิธีนี้ในตอนนี้เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะก็มีภาษาสางโน ด, ดูว่าห้หนีความทุกข์เวลาที่อยู่ไปเจอโดยดูฝนกันนีจากฤ ด, ดูฝนไปอยู่ที่ที่อื่นที่มัน ไ ม, ไม่เปลียกฝนไม่ตกน้ําไม่ท่วมเวลาห น, นาวก็หนีไปอยู่ที่ที่มันไม่หนาวมันก็ก็เป็นวิธีที่คนมีสตางค์เขาทำคนในสมัยนี้ฝรัมม่งเวลาห น, นาวมากๆก็หนีมาอยู่เมืองไทยพอเมืองไทยร้อมากๆก็หนีกลับไปอยู่เมืองฝรั่งกลับไปกลับมาสําหรับคนมีสตงางค์เขาใช้วิธีดับความทุกข์ใจด้วยวิธีการ ใช้เงินทองซื้อครามมัสุขในรูปแบบต่างๆแต่ก็ยังหนีไม่พ้นความทุกเวลาจอความแก่ความเจ็บความตายอยู่นั่นแหละวะพเจา ก, ก็ส่งเห็นแล้วไม่ใช่ทางก็เลยสละราชสมบัติมาบวชเพื่อจะมาหาทางของนักบวชก็ไปเห็นพวกนักบวชที่เขาใช้วิธีการทรมานร่ากายด้วยวิธีการต่างๆ เพืทำให้เขาไม่กลัวความตายกลัวความเจ็บไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเขาทรมานขนาดไหนความกลัวความเจ็บความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ยังไม่หมดไปยังมีอยู่พระองค์ก็ทรงใช้วิธีทรมานนั่งกายด้วยการอดทักยาอาหาร49วันด้วยกันก็ไม่สามารถที่จะทาจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายได้ เราก็เลยทรงเห็นว่าทางทั้งสองทางนี้ไม่ใช่ทางสู่การดับความทุกข์ทางใจของใจนะก็เลยทรงมาวิเคราะห์ดูว่ามีมีวิธีหนึ่งก็วิธีการภาวนาจิตตภาวนาที่สามารถดับความทุกข์ใจได้ชั่วคราวเวลาจ่ายเข้าสู่ความสงบเพราะฉะนั้นใจก็หยุดที่ตรงตั้ก็ไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มีความทุกข์ แต่พอออกจากสมาธิมาพอมาพบกับร่างกายก็คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาอีกก็เลยค้นหาสาเหตุว่าเป็นอะไรทำไมาอยู่ในสมาธิไม่ทุกข์เวลาออกมาจากสมาธิพอมาคิดถึงเรื่อ ง, ร, องร่างกายทําให้ทุกข์ก็เห็นว่าก็เพราะว่าเวลาอยู่ในสมาธิจิตมันนิ่งความอยากมันไม่มีการเคลื่อนไหวเะะนนั้จิตสง บ, บนิ่ง ความอยากไม่มีในใจความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีแต่พอเอกอยากสมาธิมาพอคิดถึงเรื่องแก่เจ็บตายก็เกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยเห็นว่าออตัวที่เป็นตัวสร้างอวามทุกนี้ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายแต่เป็นตัวที่กิเลสตัณหาคือความอยากไม่แก่อย่างไม่เจ็บอย่างไม่ตายที่เรียกว่าการมัตตานาปวัตตานาวิภวัตตานา ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเพราะอยากจะเสพรูปเสียงเกล็ดรดไปเรื่อยเพราะเวลาแก่แล้วมันจะเสพรูปเสียงกล็ดลดไม่ได้กามมรณาหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายไปมันเสพไม่ได้ความอยากเสพรูปเสียงกล็ดลดนี่มันเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราอยากจะให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่เป็นานไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่เราไปเที่ยวไม่ได้นะไปกินไปเดินไปอะไร ให้ความสุขนี่มันไม่ไ ม, ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่ได้แล้วเพราะมันเจ็บร่างกายมันเจ็บไม่มีอารมณ์ที่จะไปเสพอะไรตอนนั้นอยากจะให้ความเจ็บหายไปนั่นเองก็ทุกข์อีกอยากให้ความเจ็บหายไปก็ทุกข์อีกอยากไม่เจ็บก็ทุกข์อีกอยากไม่ตายิ่งแค่คิดว่าถ้าเกิดเป็นโรคที่หมอบอกเนื้ออยู่แปดเดือนจะต้องไปตอนนั้นเจิตใจเครียดมากทุกข์มากเพราะไม่อยากตายกันไม่มีใคร เราส่งเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยากได้ความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยอยาให้ร่างกายแข็งแรงอย่าให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายไม่ตายไม่เจ็บไม่แก่นี่แต่เมื่อมองความเป็นจริงของร่างกายแล้วห้ามมันได้หรือเปล่าห้าไม่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่าห้าไม่ได้ยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยาก ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่้ตายก็ทุกข์นั่นก็ไม่ได้หยุดความแก่ความเจ็บความตายก็ทุกข์ไปทุกข์ไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็สู้อยากไปอยากไม่ดีกว่าเลยไหนไหนเราห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้นะก็ยอมรับมันเสียยอมรับพอยอมรับันก็ไม่ทุกข์เพราะเราหยุดตั้หารับความอยากได้ หยุความตัณหาความอยากไม่แก่อย่างไม่เจ็บอย่างไม่ไายได้เพราะเราเห็นความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอนิจจังไว้ที่ยเป็นอนัตตาเราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้มันเป็นไปตามความร่างกายความอยากของเราได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเท่านั้นเอนี่คือข้อสรุปของการวิเคราะห์ของพระพุทธเจ้าโดยประมาณเราอ่านอ่านพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าไปได้แต่เราอ่าน อ่านจากหลักของอริยสัจสี่้วหลังจา ก, กั้รที่เราปฏิบัติมาว่ามันอยู่ในแนวนี้มันต้งละตัณหาของภาพอย่างตัณหาต้องละเครื่องที่จะละตัณหาก็คือปัญญาศินสมาธิปัญญาโดยสําคัญก็คือปัญญาตัวที่เห็นตายนักตัวที่เห็นอริยสัจสี่ถ้าอยากก็ทุกถ้าไม่อยากทุกก็อย่าอย่อ ย, อยู่เฉยๆทําใจอนุเบกขา เวลาแก่ก็อยู่ก็เฉยๆไปปล่อยมันแก่ไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยมันไปเฉยๆแต่รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไม่รักษาจะตายก็เช่นเดียวกันจะตายก็ต้องเฉยๆไปอย่าไปอยากไม่ตายอยากตายก็ทุกข์เองบางคนพอเจ็บไข้ได้ป่วยรักษามาก็อยากจะเข้าตัวตายอย่างนี้ก็ทุกข์อีกก็ยังเป็นปัญหาอยู่อยากตายอยากตายก็ไม่ได้อยากไม่ตายก็ไม่ได้ ต้องอยู่โครงการอยู่เฉยๆมันจะจะตายก็ปล่อยมันตายเหมือนมันยังไม่ตายก็เนมันเจ็บทรมารมันก็ปล่อยมันเจ็บมนทรมานไปแต่ใจไม่ทรมาร์มนมันได้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายได้ถ้าถ้าฝึกสมาธิมาเนีย่ยเราถึงต้องมีสมาธิมีอุเบกขาเราถึงจะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางให้อยู่เฉยๆได้ไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาได้ พอเรามีสมาธิมีปัญญาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าก็กลายเป็นภาวนาเมย์ปัญญาขึ้นมาปัญญาที่สามารถหยุดหยุดความอยากดับความทุกข์ใจได้อ น, นี้คือการตัดสรนใ ข, ของพระพุทธเจ้าละความทุกข์เกิดจากความอยากและการจะดับความทุกข์ก็คือต้องมองเห็นความเป็นจริงของของสภาวะธรรมทั้งปวกว่าไม่เที่ยว ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นนี้พอเขาไม่เป็นเราก็จะทุกข์เพราะเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นเหมือนเดินน้ำลไฟอารณ์ธาอากาศเราไปสั่งให้อารฟ้าอากาศเป็นไปตามต้องการนะวันนี้สั่งให้ตกฝนตกพวกนี้สั่งให้แดดออกสั่งไม่ได้แต่เราก็อยู่กับมันได้เราไม่ทุกข์ใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเราไปทำอะไรเขาไม่ได้เราก็เลยหัดทำใจอยู่กับเขาไป ฝนตกก็หันยอะก็ยอมรับผลแดดออกผลแล้วไม่มีอะไรก็ยอมรับตอนนี้โลกร้อนเนี่ยก็ต้องยอมรับมันเป็นอย่างนี้ไม่ทํำยังไงได้ไปนิโรนให้มันไม่ร้อนมันก็ทุกไปเบาๆดังนั้นฉลุนแล้วก็คือต้องเห็นความจริงของสภาวะธรรมทัม้งบวงว่าเป็นไตรลักษณ์เ ป, นนเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าไปอยากก็อย่าทำอยากก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นก็จะทําทำให้เราทุก เห็นตายแล้วเห็นว่าความทุกข์ใจเราเกิดจากความอยากของเราเองตายักอริยสัจนี่มันมันมันเป็นเหมือนมันเป็นวงเป็นห่วงสองห่วงพวงติดกันมันเกี่ยวพันกันตายรักก็มีทุกอริยสัจสีก็มีทุกมันเกี่ยวดองกันมีมรรคมรรคก็คือปัญญาก็คือการเห็นตายแล้วยังจะว่าตายรักอริยรสัจสี่เป็นอันหนึ่งกันเดียวกันก็ได้ เพระอัญญาณโกฏิญาเห็นตายละเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาสิ่งใดมีกาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาร่างกายมีการเกิดก็ย่อมต้องแก่ต้องเหี่วยวต้องตายไปเป็นธรรมดาท่านมีเวขาท่านมีเขาท่านเขาชาญกันได้ท่านเก่งทางสมาธิเป็นทุกคนทั้งห้าลูปแต่ท่านไม่มีปัญญาท่านไม่รู้ว่า ควาทุกข์ใจของท่านเกิดจากความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอท่านยอมรับว่ามันเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาท่านก็เลยปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายยอมรับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ใจของท่านก็ไม่ทุกข์พระอาจายก็บอกอัญญาณนถึงยะเธอเห็นแล้วเหรอเธอรู้แล้วเหรอเห็นนรีศาสตร์สเห็นตายสักเธอรู้งล้วเหรอ จะบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้ยังมีปัญหาความอยากในเรื่องอ่นที่ยังไม่ได้สอนความอยากเสพบกกาม์ดนี่ยังมีอันนี้ความถือตัวตวนว่าผู้รู้ผู้คิดนี่ยังมีตัวตนอยู่ก็ยังมอีอันนี้ยังต้องไปปฏิบัติขั้นสูงต่อไปหน่าสรรยศที่เหลืออีกเจ็ดตัวให้หมดไปพอหมดละได้หมดก็บรรลุเป็นพระพร้พอมๆกันห้ารูป ครับครัคุณพระอาจารย์ครับได้เข้าใจธรรมจักรมากขึ้นแล้วครับอาจารย์ครับจะขอโอกาสพระอาจารย์ทางคุณถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับคุณเจดครับบอกว่าการเที่ยวผู้หญิงผิดศีลข้อสามไหมครับเพราะมีการจ่ายเงินให้ครับถ้ามีการร่วมเพศกันก็ถือว่าผิดศีลข้อสามว่าศีลข้อสามในอนุญาตให้เราร่วมเพศกับผู้ที่เป็นคู่ครองของเราท่านสามีภรรยากัน เพที่จะได้มีความซื่อสรรค์มีความรักกันพึ่งพาอาศัยกันอยู่ด้วยกันถ้าเราไปนอกใจกนี่ก็แสดงว่าเราผิดสัจจ์กับคู่ครองของเราอันนี้ถ้าว่าเป็นโสดแลไม่มีคู่ครองเราไปช่วยบริการนี่ผิดหรือเปล่ามันก็น่าจะผิดเพราะว่าทางศีลข้อสานี้อยากจะให้เร า, ามีคู่ครองแล้วก็เสริมร่วมเพลินกับ ผ, ผู้ที่เป็นคู่ครอง ถ้ายังไม่มีคู่ครองก็อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปรูวเพศเกี่ยวใครคุณชัชวานครับทํายังไงให้หายเป็นทุกข์ใจครับอย่าไปอยากทำอะไรนะเฉยๆไปอะไรใครจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปใครใครก็จะด่าใคก็ชมเราก็ปล่อยก็เป็นไปอากาศจะร้อนจะหนาวก็อดอยู่ก็มันไปอย่าไปอยากทำอะไร คุณซีดราครับจะทํายังไงดีครับเวลานั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านมากๆครับต้องใช้สติฝึกสติให้มากว่าพยายามฝึกสติก่อนมานั่งสมาธิต้องฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งทั้งหมดทั้งคืนเลยฝึกได้มากเท่าไหร่ความคิดก็จะลดน้อยลงมากไปเทางนั้นความฟุ้งซ่านก็จะน้อยลงไปถ้าไม่ฝึกสติเลยพอมาเริ่มนั่งสมาธิมันก็ฟุ้งอยู่แล้วก็จะทําให้มันไม่ฟุ้งได้ยาก เน้อฝึกสมาธิฝึกสติพุทโธบริกรรมพุทโธไปตั้งแต่เลื่อตาขึ้นมาเลยอยากล่อให้ใจคิดหน่วยที่ไม่มีความจําเป็นอย่าต้องคิดถ้ามีความจําเป็นในเรื่องที่ต้องคิดก็อนิยาตให้คิดเป็นเรื่องเลื่องไปเป็นเฉพาะจิตไปพอคิดเสร็จก็หยุดจิดใช้พุทโธพุทโธหยุดมันไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้แล้วรับได้ว่าเวลานั่งสมาธิไม่ฟุง้งซ่านกนหน่อยจิตจะรวมเป็นสมาธิได้อย่างง่ายดาย คุณชรินทิพย์ครับถ้าเราถูกขัดขวางการทําความดีทุกๆอย่างจากคนที่ไม่หวังดีเราควรทําอย่างไรใช้หลักธรรมข้อใดในการรับมือครับถ้าถูกขวางทําไม่ได้ก็รอไปก่อนดีเขาไม่ได้ขวางเราตลอด24ชัออ่วโมงแล้วก็ไปรอทําตอนที่เขาไม่ขวางเราก็ได้ตอนที่เ้าขวางเราเหมือนกราขับรถไปไปเจอเครื่องกิดขวางอยู่ที่ถนนเราจะทำไงเราก็แล้วลว่าถอยกลับเปลี่ยนไปวิ่งถนนเส้นอื่น มไมใช่ว่าจะมีเครื่องกีดขวางตลอดเวลาที่ไหนวนะวงนี้เ้ากีดขวางเราแล้วก็ไปทําความดีที่อื่นได้มันจําเป็นยังต้องทําความดีที่นี่ที่เดียวคุณศักดิ์สวัสดิ์ครับจักรวาลคืออะไรทําไมมีแต่สิ่งปรุงแต่งนะทําไมเราต้องมักอาศัยเกิดครับจักรวาล น, นี้มันมีสองส่วนจักรวาลที่เป็นรู ป, ปรธรรม ที่เราเห็นโลกดวงดาวต่างๆเนี่ยสิ่งอันนี้มันเกิดจากการปรากฏการมีของธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟแล้วก็มีอวกาศสธาติอวกาศทําให้เป็นที่อยู่ของดวงดาวต่างๆได้ดวงดาวก็เป็นธาตุชนิดต่างๆธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอย่างภาคที่นี้จะมีแต่ธาตุไฟอย่างเดียวก็ว่าอนได้ส่วน โด่นงนาโด่งจันทนี่เหลือแต่ธาตุดินอย่างเดียวบนบนลกของโด่งจันทรนี่ไม่มีธาตุ น, น้ํำไม่มีไม่มีธาตุลมนี่อาจจะมีบ้างก็ได้ธาตุลมแตบนนอกเนี่ยมีครบทั้งสี่ธาตุมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ในรูปจักรวาลที่เป็นรูปประทับที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกาย แล้วก็มีจักรวาลเอกจักรวาลหนึ่งที่เป็นที่เราเรียกว่าไตรภพเป็นที่อยู่ของธาตุรู้ธาตุรู้ก็คือจิตวิญญาณดวงวิญญาณต่างๆใต้ทิพย์พวกนี้อยู่ในอยู่ในอยู่ใ น, ในโลกทิพย์ที่เราเรียกว่าโลกของจิตจักรวาลของจิตตวิญญาณแ ต, แต่จิตแต่จิตแต่จิตแต่ละดวงนี้ก็มีความสามารถที่จะมาเชื่อมต่อกับสิ่งที่มีชีวิตในโลกในโลก ในนอกกรถางได้แค่ทกที่เราอยู่เนี่ยจาของเราเนี่เป็นจิตวิญญาณที่อยู่ในโลกทิศแต่มามาเชื่อมต่อกับร่างกายที่อยู่ในโลกกระถางด้วยกระแสวิญญาณการรับรูข้ของจิตของจิตจส่งกระแสวิญญาณมาห้าสายด้วยกันส่งมาเกาะที่ตาหูจมูก น, นิ้นกายเพื่อเวลาที่ร่างกายได้สัมตาหูจมูก น, นิ้วกายได้สัมผัสกับรูปเสียงกียรติล รูปเสีงยงจิตแล้วก็จะถูกส่งไปให้จิตรับทราบทันทีนี่คือเรื่องของจักราวารล็มีใช่แค่นี้มีธาตุทั้งหกที่เป็นส่วนประกอบของจักราวาลแต่จักราวาลนี่แ บ, บ่งเป็นสองส่วนจักราวาลที่เป็นรูปประทรบกับจักราวาลที่เป็นนามประรรมคุณมาลีครับ บสวดวิรุณปักเขสามารถเป็นคาถาไล่งูหรือสัตว์อันตรายทั้งหลายได้ไหมครับไม่ได้เราเป็นความเชื่อทีเฉยๆในความรู้สึกของเรานี่ยเราแคส่สวดอะไรมันก็ไล่ไม่ได้มันได้ความกลัวได้ท่านั้นเองเวลาเราเกิดกลัวมากๆสวดมันไปแล้วใจเราสงบก็จะหายกลัวเมื่อหายกลัวแล้วงูจะอยู่หรืองูจะไปก็ไม่เป็นปัญหาเลยไม่ใช่มาไล่งูให้ไปแล้วเราหายเราจะได้หายกลัว ไม่ใช่เงั้ยนะมันไล่งูในใจเรามากกว่างูที่มันอยู่ใน ใ, นใจเราที่เราไปคิดถึงงูพอเรานั่งหลับตาสว ด, สดนะสวดมนต์บทไหนไปสภกผ้าจิตสงบไม่ได้คิดถึงงูความกลัวงูก็หายไปเพราะงูมันหายไปจากใจของเราเราไปดึงงูเข้ามาใน ใ, นใจเราเองกต่างหากนั้นคาถาทุกคาถานี่ไล่งูได้แต่งูที่อยู่ในใจเราไม่ใช่งูที่อยู่ คนนี้ ง, งงไหอลองดูสิเข้าใจอยูค่ครับใช่แล้วมันอยู่บนเขา้างลัวงูก็หลับตาสวดมนต์ไปอลองงูงูมันแม่มันงูในใจเราหายไปใจเราก็สงบก็หายกลัวครัมือผีก็แบบเดียวกันส่วนมนต์ก็เพื่ไล่ผีผีที่อยู่ในใจใจที่ไปนึกถึงผีนั่นเองพอเราหยุดคิดปั๊บผีก็หายไปในใจเราความกลัวที่กลักวผีก็หาย พอใจสงบผีหายไปแต่ไม่ได้ผีภายนอกผีในใจเรางูในใจเราอาจารย์เขามีเรื่องเล่าตรงกุดสิบเอดไม่าบอาจารย์รู้ไหมครับมีน้องพี่เล่าให้ฟังว่ากุดสิบเอ็ดเจออยู่เรื่อยครับเนี่ยก็เป็นที่อยู่ขอบนั้นมีมีงูเห่าชอบไปที่อ๋อไม่ใช่งูเขาเขาบอกเป็นผีครับนี้ตั้งแต่เราอยู่บนถนนยี่สิบกว่าปีแล้วเมื่เคยเจอทีสักตัว ถ้าจิตสงบแล้วผีไม่เข้าผีมันมาจากภาพไม่สงบของจิตเรานั่นเองได้ยินเสียงหน่อยอะไรเคราะห์นังปุ๊บ ป, ปั๊บปุ๊บปั๊บหน่อยก็ผีมาเลยบางทีเป็นตุ๊กแกบ้างเป็นที่กิ๊กจกว่าเป็นสัตว์ด้วยขายลานบ้างเรามองไม่เห็นมัน <c oughs> ก็เหมือนนิทานนย่างในพระกรรมฐานรุ่นอย่างอาจารย์มันนิทา น, ทานที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ฟัว่าท่านไปปฏิบัติไปนั่งท่านอยากจะจู้วความกลัวผีท่านก็เลยไปนั่งภาวนาคนเดียวอยู่ในป่าชา พอนั่งพอนาวไปปั๊บเหลืยสถ้าพักหนึ่งได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กเจผีมาแลผีมาแล้วแต่ความที่ท่านอยากจะแก้ปัญหานี้คืออยากจะรู้จริงๆว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรกันแนะ่ท่ก็ทำใจกล้าแข็งเดินถือไปฉายเดินไปหาเสียงที่มันดังพอไปถึง ใ, ใกล้ๆาลองเอ่ส่องไฟไปอ้าวเป็นหมากำลังแทยกระดูกห <c oughs> ายโกรธอุปทาน อาจารย์เป็นอุปทานไม่มีหรอกผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงผีจริงก็คือดวงวิญญาณของของคนที่ตายไปแล้วเขาก็ไปตามตามภูมิของเขาตามบุญตามบาปของเขาเขาไปสวรรค์ไปอาบายของเขาเขาไม่ได้มาเสียเวลามานั่งหลอกเราหรอกไอ้ผีผีผีที่หลอกมันเป็นผีที่เราสร้างขึ้นมาใน ใ, นใจเราจากการที่เราได้สัมผัสกับความเวลาเราอยู่ที่ไห้คนเดียวผีเริ่มมาในทันทีใช่ไหม ถ้าันอยู่ในที่ที่ไม่หมดแล้วเราอยู่คนเดียวนี่ทํำไ้ผีมันผอขึ้นมาแต่ถ้าเราอยู่แล้วก็หลายๆคนแล้วเปิดไฟล้างําทําเพลงแล้วผีหาย ห, หมดเลยมันเกิดจากภาษาอาศัยคำพากอาศัยคําพาจากย์นี่นะครับผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงก็เลยหายกลัวไปแล้วก็าจะอยู่ได้สบายมันเก่าไม่เจอครับก็หยุดส่ ว, ก ว, ว, สวนก็ส่วนมันไปหยุดความคิดอยู่ความคิดถึงผี ไม่มีหล่าก็อยู่มันต้องนาำบวชมาตั้งแต่ตลอดชีวิตนี่คือผีจริงมีแต่ผีผีผีเหล่าไม่มีผีเหล่าเป็นผีไม่จริงผีที่เหล่าเรานี้ไม่จริงแต่ผีจริงก็ไม่เหล่าอย่างคุณแม่แก้วท่านมีอแม่ชีแก้วนี่ท่านมีอภิญญาท่านสามารถติดต่อกับอผู้รองรับไปแล้วได้ท่านเข้าสมาธิแล้วก็จะมีผู้ที่รองรับไปบางทีก็เป็นหมูป่าบ้างบางทีก็เป็นควายที่ถูกชาวบ้านฆ่าแล้วก็ มาลองทุกกับท่านก็งมีแม้แต่ดวงวิญญาณของหลวงปู่มั่นในกืนที่หลวงปู่มั่นละสังขารก็ยังไปไว่าไปหาไปเยี่ยมไปไปลาหลวงแม่ฉีด้วยซ้าไปหลวงปู่มั่นท่านละสังขารในยามเด็กอนในช่วงนั้นแม่ฉีกํากลังนั่งสมาธิอยู่คือแก่ะว่าพรุ่งนี้เช้าแกจะประกาศหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นก็เลยมาเข้ามาในสมาธิบอกเธอไม่ต้องมาเยี่ยมท่านหลักท่านตายแนละ้ว เธอเป็นคนที่รู้หลวงปู่มั่นตายตั้งแต่ก่อนพูดได้แล้วอยู่หา่างัพอยู่อยู่ตาลอำเภอกันด้วยพอตื่นขึ้นมาเธอก็ร้องโหมร้องไห้พวกเพื่อนแม่ชีก็ถามว่าแม่ชีเป็นอะไรถึงร้องไห้แม่ชีบอกหลวงปู่มัน่นท่านเสียแล้ท่านมาบอกเมื่อคืนนี้แล้วพอตอนสายสายก็มีข่าวทางอำเภอส่งคนมาบอกข่าวว่าหลวงปู่มั่นได้เสียเสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนนี้อันนี้หลักพิริง ผีจก็ไม่หลอกเราหรอกแต่พีที่เราคิดขึ้นมาปูแต่งขึ้นมาเนใ่ยมันหลอกเราเองแล้วมันเช่ามาตอนที่เราอยู่คนเดียวที่ที่เปี ย, ปยกๆที่นั่นที่นั่นด้วยนะครับ <c oughs> ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มาถ้ามีที่ไหนแสงสว่างผีมันกลวัวกหวแสงสว่างก <c oughs> ันเลยผมก็เลยไปแอบดูกดสิบเอ็ดตอนสว่างครับอาจารย์ไม่ได้ไปตอนมืดครับ คอยอยู่อาจารย์เราไม่มีแล้ประจำประจำที่แค่ที่เดียวแล้วไม่มีใครอยู่คนนั้นเลยมีท่านคิมอยู่ครับอาจารย์ครับอยู่คุณประชาครับมีคนชอบอ้างทางสายกลางที่ถูกต้องคืออะไรครับก็อย่างที่แอนจาร์ให้ทราบครับ ทางสายการก็คือการทานแห่งศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาถ้าอยากจะดับทุกข์ก็ดับด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาไม่ใช่ดับทุกข์ด้วยการไปเที่ยวไปเที่ยวมันก็ดับได้ชั่วคราวไม่สบายใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หนีไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจก็ทำให้เราลืมเรื่องที่สร้างความเครียดให้กับเราแต่พอกลับมาก็มาเจอเรื่องเดิมมันยังไม่หาย มันก็เครียดขึ้นมาใหม่ยังวิธีแก้ก็ต้องใช้การภาวนาเนี่ยวก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์อะไรเป็นเหตุเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเครียดตอนนี้งานเหรองานมันไม่ดียังไงมันเอ่อมันมีมันมัม น, ม น, มนกําลังขาดทุนเรื่ออะไรก็ว่าไปก็พิจารณาแล้วเราทำอะไรได้ปะ่ะงเราทําให้มันไม่ขาดทุนได้บ้างเราทําให้ได้จะให้ทํำยังไงก็ต้องยอมรับขาดทุนเมื่อขาดไปเสิจะทําังไงได้ ถ้าเรายอมรับความจริงได้ใจเราก็จะหาเะยเครียดยการภาวนาสมถะาภาวนาวิปัสนาภาวนาแต่ถ้าไม่มีสมถะมันไม่ยอมไม่ยอมขาดทุนเจ้ากำไรอย่างเดียวตันหาความอยากอยากได้กาําไรไม่ไม่อยากขาดทุนแต่ถ้าใจมีอุเบกขาและพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่ามันจะขาดทุนก็ห้ามมันไม่ได้จะทํำยังไงได้ก็ยอมขาดทุน ถ้ามีอุเบกขามันก็มันก็ยอมขาดทุนได้มันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาก็อยากจะเอากําไรอย่างเดียวไม่ยอมขาดทุนไม่อยากขาดทุนก็ทุกข์ก็เครียดไปเรื่อยๆคุณวันเพ็ญครับการเรียนถามเรื่องกําหนดรู้ทุกข์เมื่อร่างกายป่วยเกิดเวทนาแล้วจิตปล่อยวางร่างกายว่าควบคุมไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทุกข์ก็ดับรู้เข้าใจว่าเป็นการเดินตามมัดเจ้าค่ะ ใช่ก็ก็มันทั้งสามสี่สี่อันนี่มันมันมันไปพร้อมๆกันเวลาไม่สบายก็รู้ว่ามันทุกข์ว่าร่างกายเราไม่สบายมันก็เป็นทุกข์แล้วใจเราทุกข์แล้วแล้วทุกข์ของใจเราก็เกิดจากความอยากให้มันไม่ไม่ป่วยหรืออยากให้มันหายแต่มันไม่ยอมหายแล้วเราพิจารณาความจริงว่าเราควบคุมมันไม่ได้เราก็ยอมรับก็ปล่อยให้มันป่วยไปมันจะหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมัน ทุกในใจก็หายไปก็มีการจเจริญมากพระอาจารย์ครับมีหลายคนก็คอมเมนต์ขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับว่าไขข้อข้องใจทางธรรมได้จริงๆครับเพราะเราก็เคยมีความสงสยัยมีความไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติจนเข้าใจทีนี้มาพวกนี้มันเป็นเรื่องของประสบะการณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องจินตนาการ คุณแบมแบมครับการดูหนังเว็บเถื่อนฟังเพลงหรือดูหนังที่มีคนเผยแพร่ไว้บน youtube ซื้อแผ่นหนังปลอมเป็นการผิดศีลข้อสอบไหมครับอันนี้มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะสมัยนี้มันเป็นของที่มันแพร่หลายโดยกระทั่งไม่ทราว่าจะถ้าเราคิดว่ามันมันผิดศีลเราก็อย่าไปดูมันก็นแล้วกันถ้าเราคิดว่าเป็นการขโมยเลิลขสิทธิ์ซื้อของเราอยากจะดูก็ไปซื้อไปจ่ายเงินซื้อของที่เป็นลิขสิทธิ์ก็แล้วกัน ของเดีนีมันไม่รู้ว่าเป็นลายเป็น น, นิกสินหรือไม่เป็นนกิกสินมันมันเต็มไปหมดบางทีก็ยากแยกไม่ได้คุณมาริสาครับพระอาจารย์ที่ลาสังขารแล้วทางวัดได้นาสังขารพระอาจารย์ออกมาสักการะบูชาแล้วให้อุบาสกอุบาสิกาลูกครัมเป็นการสมควรหรือไม่เจ้าคะก็มันก็มันก็ไม่ น, าน่าด่าเพราะว่าพระ ปกติเวลาที่ท่านมีชีวิตอยูอ่ก็ไม่ให้ผู้หญิงไปแตะต้องร่างกายของท่านอย่างนี้นเะแม้เราก็ไม่เห็นว่าจำํำเป็นต้องไปแตะต้องร่างกายทำไมใช่ไหมอยากจะกราบสักการะก็กราบไหว้เหมือ น, นตอนที่ท่านมีชีวิตยอยู่ก็ได้แต่ว่าคงไม่สมควรนะเพราะว่าขณะที่ท่านมีชีวิตยอยู่ก็แตะต้องไม่ได้เวลาที่ท่านตายไปทำไมไปแตะต้องท่าน ผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับขอความปรานาท่านอาจารย์ช่วยบอกวิธีทําใจไม่ให้เป็นคนขี้ระแวงครับก็ต้องยอมเล่าความจริงสิว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเราจะเป็นระแวงไปก็ไม่ไ ม, ไม่เปลี่ยไมเย่เปลี่ยนความจริงได้ใครเขาจะแทงใครเขาจะหักหลังเราเขาก็จะหักหลังเราแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจรับของมันไปกันแล้วกันเพราะเราไม่สามารถที่จะไปอ ไปกำหนดได้ว่าคนที่จะซื่อสัตย์กับเราตลอดหรือเปล่าเขาอาจจะแทงเราข้างหลังเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อผลประโยชน์มันเกิดการขัดกันถ้าดูหนังการเมืองเป็นตัวอย่างมันแทงไปแทงมาอยู่นี่ทุกวันหน้าตาเฉยเล่นะละเวทำไมยอมรับความเป็นจริงดีกว่าอย่าไปอยไปหวังความซื่อสัตย์ในหมู่โจงนอย่าไปหวังความซื่อสัตย์ในปุตุชนเลยพูดง่าย พวกเราทั้งหลายที่เป็นปุุ้ชนเนี่ยวันใดวันหนึ่งก็อาจจะคลิปได้ทั้งที่เราคิดว่าเรามั่นใจมั่นคงยกเว้นผ้าริยะบุคคลขึ้นไปท่านความซื่อสั่งของท่านร้อยเปเซ็นแต่ถ้ายังเป็นผุ้โชนอยู่นี่มีโอกาสที่จะสามารถที่จ ะ, ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนสัจจะได้เปลี่ยนอะไรได้ถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนัง่นอย่าไประแวงเลย อยอมรับดีกว่ายอมรับก่อนอะไรจะเกิดก็เกิดน่าจะสบายใจ ค, คุณวันดีครับตอนนี้จะน้อยทุกข์มากๆป่วยเป็นผิวหนังแข็งชนิดเป็นทั่วตัวตอนนี้ปวดไปทั่วตัวปวดข้อปวดกระดูกจะน้อยจะใช้ธรรมะข้อใดแยกกายกับจิตครับก็ใช้สมาธิเนี่ยทั้งสมาธิทำใจให้สบบ ใจก็จะแยกออกจากร่างกายเป็ชั่วคราวและเวลาออาจากสมาธิมาใจก็จะมารวมกับร่างกายก็คอยเดินใจว่าร่างกายไม่ใช่เราความเจ็บของร่างกายเราห้ามมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้เราอยู่เฉยๆอย่าไปอยากให้มันหายแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์เนี่ย คุณระเบียบครับกาบเรียนถามการที่เราไปถือศีลที่วัดกับการถือศีลอยู่ที่บ้านแบบไหนจะได้รับผลบุญมากกว่ากันคะหนูชวนคนรู้จักการไปถือศีลที่วัดเขาบอกไปวัดเขาไม่ชอบไปเขาทําที่บ้านดีกว่าเขาคิดแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับก็อยู่ที่ไหนรักษาได้ง่ายกว่ากันศีลบุญที่ได้จากการรักษาศีลก็คือการรักษาถ้าอยู่ที่บ้านแล้วรักษาได้ดีกว่ารักษาที่วัดแค่อยู่ที่บ้านไป ถ้าไปวัดรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ที่บ้าน ก, ก็ไปไปรักษาที่วัดมันอยู่ที่วัดไหนมันดีกว่ากันรักษาได้ได้มากกว่ากันได้ดีกว่ากันคุณกิติมาครับตอนนี้คิดแบบพระอาจารย์รักษาไปตามอาการหายก็ดีไม่หายอยู่กันไปจนจากการสภาพจิตดีขึ้นค่ะพอหมอบอกว่าคงไม่หายยังคิดในใจเลยว่าข่าวว่าโล ก, กรรมครับ ใช่ทุกคนเรามีกรรมเป็นของของเราทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องไปทูลรับผลของกรรมนั้นไปยรรมรับกรรมแล้วใจก็จะสบายไม่ทุกข์คุณพนัทครับผมได้นั่งสมาธิน า, นานเป็นครั้งแรกพอเลิกนั่งเกิดอาการเห็นชาจนลุกขึ้นไม่ไหวต้องค่อยคอยขยับขาเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับ ใช่ปกติร่างกายเวลามันนั่งอยู่เฉยๆนานเนื่อนลมมันก็ไม่ไหลสะดวกเหมือนตอนที่เราเคลื่อนไหวมันก็เกิดอาการเหน็บชาขึ้นมาพอเราจะลุกเราก็ต้องใช้เวลาให้มันค่อยเลื่อนลมมันมันไหลเวียนก่อนค่อยๆขยับเท้าออกไปยืดออกไปเอาเดี๋ยวว่าอาการเหน็บชามันก็จะหายไปไม่ไม่เกิดยุ่งเสียหายแต่อย่างใดไม่ต้องกังวลคุณวิไลครับ วัดที่ปล่อยเงินกู้พระที่มีสมุดเงินฝากต้องไปปรับสมุดเองเหมาะสมหรือไม่เจ้าคะมันไม่เป็นสองคำถา ม, ถามวัดที่ปล่อยเงินกู้มีวัดนู้นห ว, วัดที่ปล่อยเงินกู้อันนี้เราไม่รู้นะวัดไม่ควรที่จะมาเกี่ยวกับเป็นธนาคารนะวันเป็นที่ให้คนมาทำบุญมามากู้บุญได้อยู่แต่กู้เงินนี่ไม่ถูกม า, มาทำบุญมาขอขอบุญได้อยู่ ในมาขอเงินมากู้เงินที่วัด น, นี้ไม่ไม่ใช่เป็นที่ที่กดไปควรไปกู้ที่ธนาคารมากกว่าส่วนการมีเงินฝากไว้ในธนาคารนี้ก็ไม่ผิดเพราะวิธีว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้หฝากนั้นไว้กับใครที่ไว้ใจได้ไม่ให้ครอบครองเก็บไว้เองฝากกับคนที่ไว้ใจธนาคารก็เป็นคนที่ไว้ใจได้ก็ถือว่าไปฝากได้กับธนาคารง่าย คุณทิติมาครับเราจะข จ, จัดความกลัวได้อย่างไรคะหนูกลัวแมลงสาบมากทุกครั้งที่เห็นหนูไม่สามารถก้าวข้ามความกลัวข้อนี้ได้เลยครับเอ่อก็ดูเทปตัวมันกับตัวเราขยายเหมือนกันเราข่ามันได้มันฆ่าเราได้หรือเปล่าไใช้เหตุผลดูเลยแล้วไปกลัวมันทำไมวิธีจะทำวิธีจะทําให้เราไม่กลัวเข้าไปใกล้ๆมันเข้าไปอยู่ใกล้ๆมันเอามือ ย, ยื่นให้มันกัดเลย อยู่นี่มันจะกลัดหรือเ่ามันจะนั่งรู้ล้วรู้รอดไปอย่างนีเผชิญหน้ากับมันอยู่เฉยๆต้อเผชิญหน้ากับมันถ้าใจไม่ยอมเฉยก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็เผชิญหน้ามันไปเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่ามันไม่ทําอะไรเราหรอเราไปกลัไปเอง คุณองุ่นเปรี้ยวครับการฉีดน้ำยาไล่สัตว์ที่ไม่ต้องการเช่นหนูแมลงสาบถือว่าบาปไหมเจ้าค่ะถ้าไม่ได้ทาให้เขาตายก็ไม่บาปแต่ถ้าทำให้เขาตายก็บาปคุณเป๊ะถามเรื่องพุชงเจ็ดครับอาจารย์ครับอันนี้เราไม่รู้นะ น, นี้ก็ไปเปิดดูในใน Google ก็ได้มันก็เป็นวัดอีกอีกรูปแบบนึ่โพชงก็มีชติอ่ มีสมาธิมีโอบเบชขามีปัญญาคือธรรมวิจัยวิจัยโย น, น, น, บบนี่มันเป็นองค์มรรคในรูปแบบหนึ่งนันเป็นมรรคเหมือนกันเวลาพระเจ้าแสดงมรรคแต่ละครั้งอาจจะพิ้บแพงนิดหน่อยเพราะว่าคนที่ฝังนี่อาจจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันไปเวลาแสดงทรงแสดงมรรคให้กับภาพภิสูจน์ทั้งแสดงสีส ม, สมาธิปัญญา เวลาสแสดงมากให้กับศรัทธาญาณอยู่ผู้ขอเลยก็ส่แสดงทานศนภาวนามันก็เป็นมรรคทางเดินสู่การดับทุกข์เป็นทางเดียวกันแต่มีข้ออข้อมูลเพิ่มเติมว่าบุคคลที่ไม่เหมือนกันบุคคลที่ฟังทําไม่เหมือนกันคารวะยังมีเงินทองอยู่ต้องสอนให้คารวะฉละาเงินทองไปเพราะเงินทองนี้เป็นเหมือนสมอเลยถ้าเราจะให้เหลือ เนี่ยออกจากท่าได้เราต้องถอนสมองเรือเราอยากจะให้ใจเราไปนิพพานแต่ ว, ว่าต้องถอนถอนการยึดติดในเงนนินทองเอาเงินทองเอาเงินทองไปทําูปธรรมฐานให้มันหมดเนีย่ยแล้วค่อยไปเรืคุณครับครับจะเราจะทราบกับอ่านั่งสมาธิทุกวันกับรู้สึกตัวระหว่างวันอยากทราบว่าเราจะทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้อย่างไรบ้างครับ ก็ใจรับคิดน้อยลงฟุ้งซ้านน้อยลงว่าเย็นสบายมากขึ้นคุณประชาครับปฏิบัติศีนแปดโดยไม่ทานอาหารระหว่างเที่ยงตรงถึง6กโมงเช้าอีกวันไม่ดื่มนมถั่วเหลืองจะทานอาหารยาเฉพาะกรณีป่วยซึ่งต่างกับคนอื่นที่ปฏิบัติแบบสะดวกกว่าแบบนี้เรียกว่าไม่สายกลางหรือเคร่งไปไหมครับ อก็เป็นอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติ 8, สิ่แปดสิก้อหกสีขก้อก็ไม่ให้รับประทานอาหารน้ำเที่ยงวันไปแล้วจะรับประทานอีกครั้งก็ต้องรอวันเวลาสว่างของวันนั้นขึ้นซึ่งตอนนี้สว่างประมาณบกงเช้าอันนี้ไม่ได้อันนี้กทางสายการคุณกฏชกรครับดิฉนันมีความรู้สึกว่าไม่ต้องการมีหลานหรือให้มีการเกิดของเผ่าพันธุ์ เพราะเหตุว่าเหตุแห่งทุกข์คือการเกิดแต่มีคนบอกว่าเราบ้าคิดมากเกินเขากลเป็นถามครับเรื่องการเกิดมันเป็นทุกขนะ์ไงถ้าเราระงับการเกิดได้มันก็ ก, กดีพระพุทธเจ้าบอกว่าอจะไม่มีความทุกข์ได้ก็ต้องไม่เกิดทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังต้องมีความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นความทุกข์อีก คุณองุ่นเปรี้ยวครับเคยนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งและทําได้นานแต่ไม่ได้ทําต่อเนื่องพอมานั่งสมาธิอีกทีทําไม่ได้เลยเจ้าค่ะพยายามแล้วพยายามอีกแสดงว่าการทําจิตสงบหาบไม่ทําต่อเนื่องจะเข้าสมาธิไม่ได้เลยหรือเข้าได้แต่ยากมากต้องอาศัยความเพียรใช่ไหมเจ้าค่ะมันก็เหมือนกับการกระทาอะไรนะถ้าเราทําบ่อยๆมันก็ชํานาญถ้าเรานานๆมาทำํำสักทีมันก็ก็ยากนั่ ถ้าเราทําอยู่ส ม, ม่ําเสมอมันก็จะสามารถทําได้ง่ายวันนั้นนานๆมาทําทีแล้วสึกยากแต่ละครั้งที่เราทำมันจะยาวที่เจะทําไม่ได้ก็มีเช่นการนั่งสมาธิถ้าเราทํำบ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆมันก็เข้าสมาธิได้ง่ายพอเราทิ้งไปไม่ไ ม, ไม่ทําแล้วพอกลับมาทำใหม่มันก็เข้าไม่ได้ บุญวาสนาครับไม่แสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาดูหนังดูละครฟังเพลงนี้ถือว่าเป็นความสุขนอกเขตพระพุทธศาสนาด้วยไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเ อ, อ, อยู่ในระดับไหนของพระพุทธศาสนาถ้าอยู่ระดับฆรวาวาสพระความหลวนี้การดูหนังฟังเพลงก็ยังถือว่าอยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาอยู่ไม่ค้ามดูได้แต่ถ้าอยู่ในระดับของนักบวช ผู้ที่ถือศีลแปดขึ้นไปนี้ก็ก็จะไม่มีการดูหนังดูละครฟังเพลงใ ห, หาความสุขจากการทําใจให้สนุกและะ้วระดับคารลวาสนี่ ห, หาความสุขจากการทําบุญทําทานรักษาศีลห้าดูหนังฟังเพลงได้คุณชัชวาลครับการธรรมศาสตร์ครับความทุกข์ที่เกิดจากคิดเรื่องในอดีตจากไม่อยากเห็น ทำอย่างไรครับเขหยุดคิดเลยวิธีหยุดคิดก็ใช้พุโทโธพุโทโธเวลาคิดถึงเรื่องที่เราไม่อยากให้คิดแล้วก็พุโทโธพุโทโธกอสวดมันไปเรื่อยๆโดยกามันจะหยุดคิดถึงมันถ้ามันยังคิดถึงมันอยู่ก็สวดไปเรื่อยๆบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เลยวมันต้องหยุดถ้าเราไม่หยุดพุดโทโธเราไม่หยุดสวดคุณมาลิษาครับ มีการกำหนดเวลาในการนั่งสมาธิไหมเจ้าคะว่าใช้เวลาในการนั่งสมาธิประมาณกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงถึงจะได้ประโยชน์ในการนั่งครับเราถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากการนั่งนี้เรากําหนดที่สติเป็นหลักถ้าเรามีสติดีเราก็จะนั่งได้ประโยชน์ถ้านั่งสติไม่ดีมันก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่เวลาของการนั่งอยู่ที่การมีสติมากน้อยดังนันถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากการนั่งสมาธิพยายามฝึกสติให้มาก เราจะได้ประโยชน์มากถ้าสติน้อยก็ได้ประโยชน์น้อยคุณวาเสศครับตอนนี้หนูพยายามฝึกสติโดยการพุโทโธให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้แล้วตามที่พระอาจารย์แนะนําแล้วแต่ตอนนี้หนูต้องทํางานที่เกินเวลาเลิกงานปกติไปมากเพราะโดนเพราะหนูโดนเลื่อนเวลามาให้ส่งงานเร็วขึ้นหลายงานทําให้ หนูมีเวลาฝึกสติได้น้อยลงมากและทำให้หนูพบปัญหาต่างๆรวมถึงปัญหาการที่หนูเผลอไปคิดถึงคนที่หนูเผลอไปชอบนั้นมันเข้ามาทําให้หนูเดือดร้อนอยู่บ่อยๆจังเลยครับเราก็ต้องอยอมรับสภาพของเราว่าเราทําได้เท่านี้เหมือนการขับรถอยู่ที่ใต้ทางด่วนกับขับรถบนทางด่วนนี้มันตา่างกันถ้าขึ้นทางด่วนหน้ามันก็ไปเร็ว แต่ถ้ายัางขึ้นไม่ได้มันก็ต้องติดไฟแดงติดไฟติดอะไรต่างๆไปเรื่องตามตามภาวะของของถนนเงี้ยชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเรายังต้องทํางานเป็นคาราวาอยู่มันก็ทําได้คทั้งนี้นะแหละถ้าอยากจะทําได้มากกว่านี้ต้องขึ้นทางด่วนต้องไปบวชไปถือศีลหรือไปอยู่วัดแล้วเราก็จะได้ไม่มีเรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องมาเป็นอุปสรรคต่อการการเจริญสติของเรา คุณวรวรรณครับลูกชาย18ปีขี้งุดหงิดบางครั้งบ่นแม่เมื่อมีความคิดไม่ตรงกันในบางเรื่องเขาก็จะแนะนำเราแหละบางครั้งเร า, าก็ดุ ก, กลับไปหรือเงี้ไปเราไม่อยากให้ลูกมีบาปติดตัวจะมีวิธีสั่งสอนลูกวัยรุ่นอย่างไรครับก็คุยกันคุยกันดีๆเราเวลาที่เขาอารมณ์ดีเราอารมณ์ดีแล้วคุยกันได้ก็สอนไปแต่ก็ต้องระวัง เรสอนแล้วเขาไม่เชื่อไหมฝันก็ต้องหยุดอย่าไปบังเขา้าอย่าไปเที่ยวเก่งเขา้าถ้วก็ต่อต้งก็สแสดงว่าเขาไม่รับแล้วเมื่อเขาไม่รับเราก็ต้องหยุดเราทําอะไรไม่ได้สอนก็ไม่ได้คุณวรพรครับทําไมเวลาทําบุญบ่อยๆแทบทุกวันถึงไม่เกิดปิติคะเป็นเพราะเราชินหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นส่วนเวลาถ้าอยากให้เกิดปิติขึ้นมาลองทําเพิ่มให้มากขึ้นดูเลย ของทำสัก2เท่าสามเท่ า, ทาขึ้นมาอาจจะเกิดปิติขึ้นมาใหม่ก็ได้เพราะเวลาเวลาเป็นของใหม่ขึ้นมันนี้มันจะเกิดปิติขึ้นมาทันทีคุณวันเพ็ครับกับขอความรู้ค่ะถ้าเราต้องการฝึกให้ตัวเองเป็นคนไม่พูดจาเพริรเจอร์สอเสียดพูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นปิดวาจาตามความเหมาะสมควรยึดหลักปฏิบัติอย่างไรครับกาฝึกสติ เราสามารถควบคุมใจเราให้เรารู้ก่อนว่าเรากำลังจะพูดอะไรถ้าเรามีสติมากๆเราจะสามารถเห็นความคิดของเราได้เห็นว่าเรากำลังจะคิดอะไรแล้วพอเรารู้ว่ากำลังจะพูดโพสเจอหรือพูดสอเสียดเราก็อย่าพูดมันเฉยๆไปลองใช้สติฝึกสติฝึกสติแล้วจะทําให้เราเห็นเห็นการเคลื่อนไหวของความคิดของเราได้ชัดเจนมากขึ้น คุณแบมแบมครับการพูดตลกปล่อยมุกพูดล้อเล่นพูดแซวผิดศีลไหมครับการพูดเล่นที่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วถ้าคนฟังก็รู้ว่าไม่จริงอย่างนี้ถือว่าเป็นการโกหกไหมครับคือถ้าเรื่องพูดเล่นมันไม่ผิดศีลคือถ้ามันถ้ามันไ ม, ม, นไม่มันไม่ได้เป็นการโกหกคือพูดพูดเล่นแต่เป็นเรื่องความจริงอย่างนี้ก็ หลัใดที่เราไม่ได้โกหกไม่ได้พูดความความเท็จมันก็ไม่มันไม่ผิดนั้นก็ถึงแม้วาจะพูดเรื่องล่อลวงเป็นเรื่องไม่จริงทั้งคนทั้งคนพูดแล้วก็ตล่ามันก็ไม่ควรพูดเราไปพูดเรื่องไม่จริงทรไมโดยก่อนที่เราจะพูดเราบอกที่เป็นสมมตินะเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงครับถ้าเราไม่มีการไปเจตนานของการไม่ให้พูดปล้วก็ไม่ให้เราไปหลอกลวง ระหวังผลประโยชน์จากจากบุคคลที่เราไปดอกนูด้วยครือปกป้องความผิดของเราไม่ควรพูดถ้าผิดก็ยอมรับผิดไปหรือถ้าไม่ยอมรับผิดก็เฉยๆไปไม่ต้องตอบคุณทุกี้ครับความอยากได้อยากมีอยากเป็นโยมใช้ทั้งสติและปัญญาในการหยุดความอยากต่างๆยากมากๆ พอหยุดได้บ้างก็กลับมาอีกต้องปฏิบัติอย่างไรครับต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันจะทําให้เราทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหรือหายไปจากเราไปหรือเปลี่ยนไปมันไม่เที่ยงและเราบังคับมันให้เที่ยงไม่ได้ให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ถ้าเราเห็นอนนิจจังเห็นนามตาในสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นของที่จะทำให้เราทุกข์ไม่ช้าก็เร็ว ถ้ารเห็นว่มันทำให้เราทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ถ้าเห็นแล้วว่าเครื่องดื่มที่เราจะเดื่มนี้จะทำให้เราเกิดโรคอเไรขึ้นมาเราจะกล้าดืม่มนหมจะอยากดื่มหรือไม่ฉ mm. ะนั้นอาจจะใครดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้ ม, มาหล า, หลายเดือนหลายปีแล้ววันนี้คืนนี้อยอยมาตรวจพบว่ามีสารก่อมอะเรแล้วก็มาประกาศบอกว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ใครดื่มเข้าไปแล้วมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง น, นะ พอเรารู้ว่ามันเป็นมะไร็เนี่ยก็ไม่กล้าเดือดร้อนอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งใดถ้าเรารู้ว่าถ้าเราได้มาแนละ้วมันจะทําให้เราทุกข์ออกจะอย่างละเราอยากจะได้นะไม่อยากได้ใช่ไหมต้องเห็นว่าสิ่งใดที่เราอยากได้แล้วมันจะทําให้เราทุกข์ต่อไปแต่ถ้ า, ามันมีปัญญาเราก็อาจะมองไม่เห็นว่ามันจะทําให้เราทุกข์คนที่ต้องมีปัญญาเห็นอันที่จางเห็นหน้าตาทั้งนั้นถึงจะเห็นว่าทุกสิสิ่งที่เรา ได้มานี้จะทาให้ลอบทุกคุณวชิราพรครับกำลังเริ่มศึกษาความหมายของอิทธิปัจญาตาปฏิจจสมุปบาทมัชฌิมาปฏิปทาพระอาจารย์พอชี <c oughs> ที่แนะเอามาปรับใช้ในการใช้ชีวิตหรือมาใช้ในการฝึกการมองโรคอย่างไรเจ้าคะออไม่ต้องไปรู้มากรอรู้แค่สติตัวเดียวก็พอสติ ป, ปัญญาสองตัวนี้ นัตติการให้ให้มีมีความมีอารมณ์คอยระงับความคิดปุ่งแต่งต่างๆเช่นมีพุโทโธมีอะไรให้มีสติคอยหยุดความคิดแล้วถ้าถ้าจะคิดก็คิดว่าทุกอย่างเป็นตายรักไปแค่นี้ก็พอสองตัวนี้ท่านรู้แค่นี้ก็พอนรู้มากแล้วนิ่งเป็นหนักนักหัวปวดหัวด้ซ้ำไปบางทีรู้มากแล้วเรามาแบาง่งบางทีมาเถียงมาถกาถกันอ ความรู้ต่างๆมันไม่จําเป็นจะต้องรู้มาขอให้รู้สองตัวนี้รู้สติกับรู้ปัญญารู้วิธีเจริญสติรู้วิธีเจริญปัญญาท่านนี้ก็พอรับประกันได้แล้วความรู้อย่างอื่นมันจะตามมาเองจากการที่เราปฏิบัติสองตัวนี้คุณมุ ก, กี้ครับ วันอาสาฬหาบูชาที่ผ่านมาเวลาตีห้าลูกตื่นขึ้นมานั่งสมาธิมีอาการเจ็บปวดหลังหัวกระโหลกศรีรษะด้านหลังและปวดแสบปวดร้อนท้ายทอยคอบาดไหลกระดูกสันหลังเอวมากแต่พอคลายออกจากสมาธิแล้วมานอนปรากฏว่าอาการเจ็บที่ร่างกายยังคงเจ็บอยู่คะ่ะแต่ภายในใจรู้สึกสบายตัวเบาๆสบายเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศมีความสุขมากๆคะ่ะยังคิดเลยว่าถ้าก่อนตายได้อารมณ์แบบนี้ต้องมีความสุขแน่ๆเลยลูกเกรงว่าลูกจะติดสุขจากสมาธิขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำํำ ควรทำอย่างไรต่อครับก็สุขคอสมาธิมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรสุขสมาธิก็จะทำให้เราสามารถอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้ก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายแต่อย่างไดคุณสุรพันธ์ครับเทวดาสามารถปฏิบัติและบรรลุธรรมโดยไม่ต้องมาเกิดในภพมนุษย์ได้ไหมครับ ถ้าเป็นผ้าโสดาบัานขึ้นไปแล้วก็สามารถปฏิบัติไนดะ้แต่ถ้าไม่มีผ้าโสดาถ้าเป็นปุถุชนนี่จะไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติโดยลำพังจ่ต้องอาศาัยมีผู้อคอยสั่งคอยสอนนั่นคือพระาจารไปส่งสอนพุทธมารดาที่เป็นเป็นุถุชนอยู่เย่างไรก็ตามเป็นภาริยะแต่หลังจากที่เทศปวดจนท่าบนบรรลุเป็นภาริยะแล้วท่านก็ไม่ต้องไปสอนต่อ สามารถปฏิบัติเองได้ต่อไปครับคุณสุวรรณีครับลูกต้องขอขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะลูกผ่านความทุกข์ได้เพราะฟังคําสอนของหลวงพ่อเลยค่ะวันนี้เป็นวันเกิดมันคล้ายวันเกิดของลูกขอขอคำอํำอวยพรจากหลวงพ่อครับเอขอให้เจอวันไม่เกิดนะขอให้ได้วันไม่เกิดมาในภพในชาตินี้อย่ากเกิดเลยเกิดแล้วมันทุกข์ อุ่พรอยตายกับคนอื่นก็นะมีแต่ให้สุดเจเริญให้นั่งใด้วยให้อายยืน ย, ย, ยาวนะแต่ไม่มีใครให้พรอต็ตรงยาำมาเกิดเลยข็ให้อยาได้มาเกิดเลยครับจากคุณสมถะครับศรัทธาของพระโสดาบันต่างกับปุถุชนอย่างไรครับร้อยเปอร์เนต์ไงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่รอยเปอร์็นไม่มีวันไหว ถึงแม้ว่าจะมีอะไรมาเขยา่ามันก็จะไม่ทำให้เราเสื่อมจากความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้มจะมีเหตุการณ์เสียหายหทางด้านองการของศาสนามีพระสงฆ์องค์เจ้าปฏิบัติตัวไม่ชอบมีอะไรเรื่องราวตา่างๆนี้แลวท่านพระสุดาบันรูว่าพวกนี้ไม่ใช่เป็นพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือพระอี่ยราสงสาวก เหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆนี้เกิดขึ้นนี่ไม่ได้เกิดกับพระอริยสงสารุปแต่เกิดแต่จากพระปุถุชนทั้นถ้าหลวพระพุทธทานความสอนพระเจาก็ไม่เสื่อมเป็นอาการนิโกพระพุทธเจ้าครก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีวันเสื่อมฉะนั้นผู้อาศัยบารจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของจริงของแท้ก็เลยไม่หวั่นไหวกับการเสื่อมทำนั้าน รูปประถามของศาสนาเห็นเห็นโสดเจดีเสื่อมบคนก็ใจก็เสื่อมไปแล้วเห็นการประพฤติที่ไม่ดีของว่าสององเจ้าวางรูปก็ทำให้เกิดเสื่อมศรัทธาขึ้นมาคุณเมธครับวันนี้ไปถวายเทียนบรรษาหนึ่งคู่และปัจจัยพระอาจารย์ยิ้มให้เหมือนได้กำลังใจในการปฏิบัติเพิ่มเลยครับไม่ทราบใครเป็นใครนะคนที่มาถวายของเยอะแยมัน ยีไหมทุกค น, นวันนี้ฝนตกอาจารย์ไม่ให้หลบนะครับอาจารย์ก็มันเล่เดียวมันปอยไมไ่แค่ไม่ถึงนาทีก็หยุดนะเพราะเราเคยเห็นแบบ น, นี้มาก่อนครั บ, ค, รบคุณวิไลครับกรรมอะไรที่กำหนดให้ต้องเกิดต่างสัญชาติต่างเผ่าพันธุ์ต่างทวีปเจ้าคว้าความเป็นหญิงเป็นชายความรักในเพศเดียวกันเจ้าคะ อันนี้กรรมเป็นของที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนึกซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะไปรูเห็นได้ยกเว้นพระพุทธเจ้าที่เป็นสัพพัญญูก็เรียกว่าเป็นอาชินตายเรื่องของกรรมเนี่เป็นเรื่องของอาชินตายรู้ได้เพียงแต่คร้าวๆว่าทําดีได้ดีทําบาปได้ได้ได้ไม่ดีทําบุญได้ไปสวรรค์ทําบาปได้ไปเกิดอาวุธ รู้ได้แต่ละเอียดต่างๆอนี้ต้องเป็นสัพพัญญูเพราะมันเป็นอาชินตายในฐานะของของจิตของของคนทั่วไปอาชินตายมันมีอยู่สี่อย่างเรื่องของกรรมเรื่องของชาเนี่เรื่องของพระพุทธเจ้าและเรื่องของจักรวาลเรื่องของโลกมันเป็นเรื่องที่เป็นที่เป็นสิ่งที่มันอาชินตายสําหรับมนุษย์บุตุชนทั่วไป จะ ไ, ได้ก็ตเป็นระดับพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาของท่า น, นสามารถวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณรังสีครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับขอคํานําคําถามในหลวงลองก้ามาถามครับธรรมะที่เกิดจากจิตผู้ปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติไม่รู้จักชื่อธรรมะนั้นจะถือเป็นการใช้ได้ไหมครับ เวลาปฏิบัติมันไม่บอกมันไม่บอกชื่อเราหรอว่าเป็นชั้นสี่ชั้นสองชั้นหนึ่งเป็นสวดามันไม่บอกเราหรอเราจะมารู้ว่าต่อเมื่อเรามาอ่านหนังสือเราเอลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อกลับเราไปเที่ยวป่าแล้วเราไปเห็นผลไม้ชนิดต่างๆเห็นต้นไม้ต่าง ๆ, ๆเราถ่ายรูปมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้มีชื่อว่าอย่างไรแต่พอเราเ อ, าเอารูปที่เราถ่ายมามาเปรียบเทียบกับรูปที่เขามี ว่าหม อ, อพอรูปเป็นรูปเหมือนกันเนาะเขาก็จะบอกวนี่ชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อเป็นเป็นสมมุติที่เราแปะไว้กับสิ่งต่างๆ่านี่ยทำต่า ง, นะา ต, างต่างก็เป็นชื่อชื่อของธรรมที่เราไปแปะไว้กับตัวธรรมแต่มันไม่ได้อยู่ที่ตัวธรมรมเวลาเจอตัวธรรมจริงๆมันไม่มีชื่อแปะไว้อยู่เหมือนกับถ้าเราเจอคุณหมอเนี่ยถ้าคุณหมอไม่บอกเราโล่งมากกว่าคุณหมอชื่อหมอวีอย่าเงี้ยเจออะไรก็ไม่รู้เป็นหมอวีใช่ไหม แต่ถ้ามีถ้ า, ถ, าถ้าไปเห็นเพจของหมอวีแล้วเห็นรูปของหมอวีอ๋อคนที่เม่อกี้เราเจอชื่อหมอวี ต, ตอนต้นเจอกันนี่นจะไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมก็บบแบบเดียวกันนะธรรมะามันเราเจอมันไม่มีชื่อติดป้ายบอกว่านี่เป็นสมาธินั้นะนี่เป็นฌานเป็นรูปฌานเป็นนั่งรูปฌานมันไม่ไดบอกเลยนะแต่พอเรามาอ่านหนังสือที่หลัง ที่เกี่ยวกันเเลาเห ล, หล่านี้เราก็จะเข้าใจอ๋อมอกี้นี้เราอยู่ในรูปประชานเมื่อกี้นีเราอยู่ในรูปประชานคุณปิยวุฒิครับถ้าเคยได้สงบถ้าจะเอาความรู้ความสงบเดิมมาพิจารณาธรรมได้ไหมครับหรือควรจะได้สงบทุกครั้งก่อนถึงค่อยออกมาพิจารณาครับคือการจะพิจารณา ร, รมนี้ต้องไม่พิจารณาตอนที่เราอยู่ในความสงบ ขณะที่ใจสงบนี้เราไม่ควรจะพิจารณาอะไรควรจะรักษาวความสงบให้สงบไปไว้นานๆเพรจะได้เป็นกําลังของใจถ้าเวลาเราออกจากความสงบมาแล้วเราถึงสามารถพิจารณาธรรมได้แต่ขณะที่สงบไม่ควพิจารณาธรรมคุณแอมครับ ถ้าเราต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ชอบพูดจาไม่ดีใส่เราตลอดจะวางใจยังไงให้มีสติไม่โกรธครับก็รู้ว่านี่เป็นธรรมชาติของเขาเราอยู่กับรั้วเราอย่าไปอยากให้มันเป็น่องของเราครันใช่ไหมถ้ารู้ว่าเขาเป็นรั้วก็อย่าไปอยากให้เาเป็นซอกถ้ารู้ว่าเขาพูดจาไม่ดีเราก็อย่าไปอยากให้เขาพูดจาดีก็ทํานั้นก็ปล่อยเขาพูดไม่ดีไปความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราไม่อยากให้เขาพูดไม่ดีอยากให้เขาพูดดี ก็เลยทำให้เราทุกข์ทำให้เราโกรธคุณเทพรักษาครับการแยกธาตุแยกขันมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับเวลาที่ท่านบอกให้แยกรถเป็นชิ้นส่วนเช่นพวงมาลัยรถพอผมพิจารณาแล้วพวงมาลัยรถก็มาจาก ร, ร, รถอยู่ดีรถก็ยังมีอยู่จะมีแนวปฏิบัติอย่างไรครับคือแยกธาตุแยกขันนั่นก็แยกร่างกายก็แยออกจากใจ แยกใจออกจากร่างกายวิธีแรกก็คือให้นั่งสมาธิให้ทําใจให้สงบแล้วใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันแล้วพ อ, อ, อจากสมาธิมาพอมันกลับก็ามารวมกันก็ใช้ปัญญาคอยสอนว่าใจเป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายเป็นดินน้ํำลมไฟเป็นคนละคนกันใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นใจร่างกายไม่ได้เป็นใจร่างกายไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพียงส่วนประกอบจากของดินน้ำลมไฟ เนี่ยกากธาตยากขันไม่ปัญญาเวลาอยู่ในสมาธิก็ยากวยสติทําใจให้สงบใจก็จะยากออกจากร่างกายชั่วคราวคุณหมูครับสงสัยเรื่องการดูกายกับดูจิตค่ะที่หนูเข้าใจคือดูกายคือดูว่าร่างกายขนาดนั้นเป็นอย่างไรเจ็บตรงไหนแล้วทําใจปล่อยไปเป็นเรื่องธรรมดาไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมครับ ก็ถูกอ่ะถ้าเราสามารถดูกายแล้วปล่อยวางได้ก <Yes. S 1> <toolbar. S 2> ็ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราดูว่าร่างกายเป็นอย่างนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ก็คือการดูกายดูกายเพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติของกายเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นอย่าไปอยากให้เขาเป็นร่างกายที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ คุณปูเป้ครับพระอาจารย์ครับพอดีมีคนมาถามว่ามีคนตรวจว่าตัวเองท้องแต่เพิ่งตรวจเจอตอนประจําเดือนหายเด็กยังไม่มีอวัยวะด้วยเหตุคนท้องเป็นโรคซึมเศร้ายังไม่พร้อมและไม่มีเงินไม่พร้อมเลี้ยงเด็กหากทําแท้งบาปไหมคะพอดีหนูเปรียบกับไข่ไก่ยังไม่มีอวัยวะถ้าทําแท้งพร้อมไม่พร้อมและเด็กยังไม่มีอวัยวะไม่บาปหนูคิดถูกไหมเจ้าคะ่ะไม่ถูกครับถ้าตั้ท้องแสดงว่าเริ่มเริ่มมีการ ปฏิสนธิแล้วเริ่มมีการก่อตัวของร่างกายแนละ้วถ้าไปทําให้มันแทนก็ถ้าแบบทำลายร่างกายอนยะ่างนั้นคุณนัทธสภักครับขออนุ ญ, ญาตสอบถามการกรณีการที่มีเวลาจํากัดบางวันเรานั่งสมาธิเลยโดยไม่สวดมนต์ก่อนได้ไหมครับได้ถ้าเราทำอะไรก็ไม่ต้องสวดที่สวดเพราะว่านไม่ได้ ส่วนยัล้วมันฟุงก็จะใช้การสวดมนต์ระงับความฟุ้งไว้ก่อนพอใจหายหฟุ้งแล้วก็นั่งสมาธิต่ตอได้เลยคุณ อ, อ้อนครับขอเรียนถามครับปกติหลังสวดมนต์ทำวัดเช้าจะนั่งสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงแต่หากวันใดรู้สึกว่าไม่ค่อยมีสติก็จะไม่นั่งสมาธิค่ะไม่ทราบว่าสิ่งที่ถูกต้องคือไม่ควรนั่งเพราะจะเสียเวลาหรือเปล่าหรือว่าควรฝืนนั่งไปจนกว่าจะสงบดีกว่าครับ ถ้าต้องเรื่องระหว่างสวดกับนั่งสมาธิถ้าท่าถนั่งสมาธิได้การนั่งสมาธิไปเลยไม่ต้องสวดแต่ถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็อาศัยการสวดไปก่อนการสวดก็เป็นการทําสมาธิแบบแบบหยาบๆก็จะสงบน้อยกว่าการนั่งสมาธิแต่ถ้าเรา n ั่งสมาธิได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องสวดนั่งสมาธิไปเลยเพราะจะได้ความสงบที่มากกว่าความสงบที่ได้จากการสวด คุณเอกชัยครับการที่จิตเราจะละสังโยชน์เบื้องต่ํา3ข้อแรกได้นั้นมันเกิดขึ้นจากผลของการฝึกปฏิบัติอะไรครับก็เราต้องมีสมาธิมีมีอุเบกขาที่เกิดจากสมาธิก่อนมีจิตที่วางเฉยปล่อยวางได้แล้วเราก็มาวิเคราะห์ร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นน้ําลมไฟมันเกิดกีาดเจ็บตาย เราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราเป็นจิตที่สง บ, บนิ่งมีอเบกขาเวลาร่างกายแก่แล้วก็เฉยยไปเวลาร่างกายเจ็บก็เฉยยไปเวลาร่างกายตายไปก็เฉยยไปถ้าเฉยได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายตายก็มารู้เป็นพระโส ด, ดาบันไดคุณเรืองนาศครับ รรนรัสการครับมีคนประเภทที่ชีวิตติดขัดในทางโลกทําดีไม่ได้ดีเพราะเหตุบางประการบังคับให้เข้าทางธรรมมีแบบนี้ไหมครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเราไม่ได้ทําการสํารวนเราไม่รู้คนที่เข้าหาธรรมนี่มันมีมีหลายหลายหลายชนิดหลายหลายรูปแบบด้วยกันอย่างหลวงตามหาบุตรท่านก็บอก ว, ว่าท่านไม่อยากจะบวชตอนที่ถึงอายุครบบวชนี่ พ่อแม่ท่านเขบอกว่ามีลูกชายหลายคนแต่ละคนมันก็ไม่มีใครบวชเลยไม่ยอมบวชให้พ่อแม่ทุกคนมีเจ้าบัวนี่แหละที่เราคิดว่ามันจะเพิ่งมันได้มันพูดต่อหน้าหลวงตาเราได้ยินท่าน น, านั่นหลวงตานั่นกินข้าอยู่รูปหนี้ออกจากวงข้าวเลยฟังแล้ไม่ถูกใจหนีไปไม่อยากจะฟังแต่ก็ไปนั่งคิดว่าการบวชมันก็ไม่ได้เป็นการปิดคุกนะการบวชมันก็ไปล่ิ่มไปเรียนไปศึกษา ไปปฏิบัติธรรมแล้วเป็นการได้ได้ตอบแทนมูลคุณของพ่อแม่ท่านก็ไม่ได้ทำเป็นจะต้องบวชตลอดชีวิตเขาก็เพียงอยากให้บวชแค่สามเดือนเท่านั้นเองท่านก็เลยอะตัดสินใจยอมบวชท่านไม่เกิดจากความศรัทธาที่อยากจะบวชเลยท่านบอกให้ฟังท่านบวชเพราะพ่อแม่เพิ่งลูกคนื่นไม่ได้ไม่ีลูกชายกี่คนก็เพิ่งไม่ได้ไม่มีใครยอมบวชให้พ่อแม่ทั้คนแล้วก็เหลือท่านห้องเดียว คนเดียวที่พ่อแม่คิดว่าเป็นคนที่พอจะพึ่งพาใัยได้ก็พูดต่อหน้าเลยมีบางคนเดียวพูดอย่างนี้ก็เลยถูกบังคับก็เลยต้องยอมบวชบวชแล้วท่านเป็นคนจริงจังทําะไรท่านจริงจังบวชแล้วก็ศึกษาศึกษาอย่างจริงจังฝึกสตินั่งสมาธิอย่างจริงจังก็ได้สัมผัสความสงบได้ความรู้สึกมีความสุขจากการปฏิบัติ ก็ทําให้ท่านเราอยากจะอยู่ต่อท่านก็บวดต่อไปอยู่ไปเรื่อยๆสึกไม่ได้เลยใช่ไหมครับ <c oughs> เจอแล้วสึกไม่สึกแล้วครับถ้าเจอความสมองก็ไม่สึกนะเจอความสึดขึ้นกันเจอความสงบคุณโทระครับเราควรฝึกสติก่อนสมาธิเช่นเดินจงกรมก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิหรือทําไปพร้อมๆกันดีเจ้าคะ ก็อยู่ที่ว่าเรา ม, มีสตินึกไหมถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิเราฟุ้งเราก็ต้องเดินโยขอมฝึกสติไปก่อนแต่ถ้าเรามีสติแล้วนั่งสมาธิได้จิตสงบเราก็นั่งสมาธิไปเลยอยู่ที่กําลัง ส, สติของเราว่ามีมากือน้อ ย, อยคุณชูศักดิ์ครับผมบริจาคท ร, รัพย์ทําทานในใจก็หวังว่าถ้าเกิดในภพชาติต่อไปผมจะไม่เกิดมาจนเป็นความเห็นที่ถูกต้องไหมครับ มันก็เป็นตามหลักธรรมมันก็มันก็มีมันก็เป็นอย่างนั้นเงินทองที่เราทําบุญไปจากไปนี่มันเหมือ น, นเอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญนะพอช้หน้ากรรมาเกิดเราก็จะมาเกิดบุญกองเงันกองทองอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่มีการพูดถึงยกตัวอย่างพระเวชสันดรท่านม็ทําบุญอย่างมหาศารพอท่านตายไปท่านก็ไปอยู่สวรรค์ก่อน แล้วพอลงจากสวรรค์มาท่านก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอการทำบุญ ท, ทำทานอย่างมากมายท า, ามากก็จะกลับมาเกิดร่ารวยมากทาน้อยก็จะร่านรวยน้อยคุณนัทมมนครับลูกติดน้ำกระทอมเราต้องปฏิบัติอย่างไรดีครับทำก็ถ้าอยากจะเลิกก็หยุดก็หยุดไปเดือดไป ถ้าไม่หยุดมันก็ต้องเดิมมาเรืเ่ยวิธีติดกย่าไปอย่าไปเดิม อ, อย่าไปทําในสิ่งที่เราติดคุณอังุนเปรี้ยวครับตั้งใจว่าจะไปวัดทุกวันพระช่วงเข้าพรรษากับวัดที่บ้านแต่พอไปจริงส่วนใหญ่เป็นพิธีกรรมต่างๆและช่วงบ่ายเป็นการฟังธรรมะจากเอกสารที่มีพระเทศเป็นทํานองไม่ค่อยได้ฝึกปฏิบัติเท่าไหร่คิดว่านั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าคิดอย่างนี้ผิดหรือถูกเจ้าคะ ก็ไม่เผิดหรอกแต่แลราอาจจะควรเปลี่นวัดเพราะมีวัดที่มีเป็นวัดปฏิบัติก็มีซึ่เราอาจจะได้ประโยชน์จากการไปวัดที่ปฏิบัติเราจะมีธรรมะที่สอนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นก็มีการฝึกมีการปฏิบัติในวัดได้นั่นอยู่ที่วัดที่เราไปด้วยไม่ใช่วัดไหนมันจะเหมือนกันทุกวัดเพราะว่าก็จะมีแต่พิธีกรรมต่างๆอย่างสมาธิเราจะเราเร า, เราบวชเรายังต้อง ไปาสวัหาวัดที่มีการปฏิบัติเพราะว่าที่เราอยู่ใกล้บ้างเราเห็นแต่พิธีกรรมอย่างนี้มีแต่การสวดมีงานศพงานอะไรต่างๆแล้วก็มองว่าถ้าบวชแล้วต้องมาทําอย่างนี้เราไม่บวช ด, ดีกว่าก็โชาดีไปพบกับพระอาจารย์หลวงปูก่กอเกตท่านรู้จักวัดวัดมทานในภาคอีสารท่านก็บอกว่าไปไปบวชที่กรุงเทพกับพระบำเพ็ญญาณแล้วท่านจะอนุญาตให้เอกไปอยู่ปฏิบาาัติกับพระ วัดป่าสายหงปู่มั่นได้เราก็โชคดีไ ด, ด, ด, ด, ด, ด้คนชี้ทางถูกต้องชี้ทางไปค่ะเราก็เป็นสิ่งที่เราต้องการเราบวชเราไม่ต้องการมาทําพิธีกรรมไม่ต้องการมารับนิมนต์ไปสวดตามบ้านต่างมาปะผมน้ํามนต์มา <c oughs> อะไรตา่างๆเราไม่ได้บวชเพื่อสิ่งเหล่านี้เราบวชเพื่ออยากจะปฏิบัติเพราะตอนที่เราไม่บวชเราก็ปฏิบัติอยู่แล้วเราปฏิบัติสติปัฏฐานสี่อยู่แล้ว เราไม่เคยนั่งสวดมนต์ไหว้พระหรือนั่งทําพิธีลดน้ํำมนต์หรือทําอะไรต่างนีนต้องการที่จะปฏิบัติอย่างเดียวเพราะเราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติปฏิบัติแล้วทาให้ทุกน้อยลงทําให้ใจมีความสุขมากขึ้นนั่นคือการเป้าหมายของการบวชของเราเรามีเป้าหมายชัดเจนก่อนที่จะมาจะบวชเราถึงไปเลือกหาวัดที่จะส่งเสริมในการปฏิบัติ โชคดีได้ไปเจอ ว, วัดหลวงหลว ง, ง, งตามหมาบัวเลยวัดแรกที่เราไปออกจากวัดบาวานก็ไปว่าหลวงตามาบัวก็ได้ถูกตรงสเปซ ต, ตรงปกทุกอย่าง <S <S วันนี้ไม่มีไม่ ม, ม, มีพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นไม่มีเกตหนิหมน์มีแต่การภาวานาอย่างเงิเนจงกรมนักสมาธิอบรมสั่งสอนอบรมเทศสนาว่าก่าด้วยธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติโ ด, ดยน้อย พูดถึงยังขอนลูกอยู่ตอนนี้บุญบุญของเราจริงๆที่โชคดีตอนท่านก็คิดว่าจะสะอาด จ, จะต้องไปหาหลายหลายวัดก่อนโชคดีไปวันแรกกรเหมือนถูกรตตเรียรางวัลที่หนึ่งเลยไม่ต้องไปซไม่ต้องไปเรารองนวดต่อไปครับก็ไปแล้วก็ไม่ไปไหนเลยอยู่ที่ัเก้าพันเสียเก้าาไม่เคยไปไหนเลยนอกจากลาลากรรมเยี่ยมบ้านสองครั้งเท่านี้สามห้ากับสาแป ตอนพระอาจารย์อยู่ที่นั้นมีพระอยู่จํากระถ ung ตากี่องค์นะครับพระอาจารย์ยุคแรกๆตอนที่รับอยู่ปีแรกถ้ารับแค่สิบห้าสิบหกลูปเท่านั้นี่พถ้าบอกว่าต้องต้องการควบคุมคุณภาพถ้าเยอะแล้วมันจะเละเทะถ้าบอควบคุมยากก็เลยเอาน้อ ย, อยเอาแค่สิบหกลูปสิบห้าลูปแล้วปีต่อมาท่านก็เมตตาเพิ่มเป็นสิบเจ็ดสิบแปดแล้วพอดีช่ว ง, งนั้นน่ามีการสูญเสียชีวิตของครูบาอาจารย์นู่น เรื่องอาวุโสกับหลวงตาเช่นหลวงปู่ฟ้าน้าไปหลวงปู่ขาวกาไปพระเนนก็ต้องหาที่พึ่งก็เออคยพึ่งหลวงปู่ต่างๆก็พึ่งไม่ได้เพราะท่านจากไปก็มาขอามาอยู่กับหลวงตาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็เลยมีการเพริ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนที่เราออกมาหลังจากที่อยู่เก้าพันศาก็มีเกือบยี่สิบกว่าเกือบสามสิบแล้วเนาะนับเพิ่มไปเรื่อยๆยี่สิบกว่ารูปนี่ต้องยังไง เพราะที่อยู่หัวักใช่มันต้องแยกกันอยู่ไกลๆที่มันไม่ให้อยู่ใกล้ๆกันไม่ให้มองเห็นกุติกันเวลาเดินโยมกบปฏิบัติที่จะไม่เห็นกันมันก็ต้องใช้ที่ที่กว้างบริเวณที่กว้างกุติที่อยู่ก็ต้องอยู่แากกันไม่ให้อยู่ใกล้ชิดกันไม่ให้เห็นกันไม่ให้ได้ยินเสียงกันมันก็จะมีความจำนวนจํากัดระยะหลังมันก็ไม่ได้สร้างกุติต้องไปสร้างแค่แทน แคมันสร้างง่ายกว่าและไม่ไม่กินเนื้อที่มากกว่าก็เอาไปตั้งแค่อยู่ในปา่านียคุณวิชัยครับสอบถามการเข้าสู่พระนิพพานเป็นพบหนึ่งที่อยู่ของพระอรหันตุกรูปที่เข้าสู่นิพพานและมีการสื่อสารรับรู้กันไหมครับการสื่อสารนี่เราไม่รู้นะแต่พระนิพพานก็คือจิตของของแต่ละคน ที่ละกิเลสตัณหาได้หมดไม่มีตัณหาความอยากของเนยอยู่ในใจไม่มีการมตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาถ้าจิตไม่มีตัณหาแล้วก็ถือว่าเป็นจิตบริสุทธิ์จิตท่านก็เลยกวันนิพพานเหมืกันจะสื่อสารกันได้หรือไม่นี่เราไม่ทราบอะไรก็มีเราให้ฟังหลงปู่มั่นท่านก็เล่าให้ฟังว่าเวลาท่านภาวนาบางทีก็มีมีพระพุทธเจ้ามาหลานมามาเยี่ยม มัแสดงธรรมมาต่อท่านก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องของปฏิเจตกับบุคคลองแต่ละองค์คนที่ไม่มีก็มีคนที่มีก็มีคนที่มีนักจะเป็นคนที่มีอภินิยามมีจิตที่สามารถติดต่ อ, อกับกายทิศได้ในพระอาหารหันนี่มันท่านมีอยู่ศีลสี่สแบบเนี่ยพระอาหารหันที่บรรลุธรรมดับกิเลสได้แต่ไม่มีความสามารถพิเศษนี้ เป็นเรียวกว่าผ้าังธรรมดานะชนิดที่สองก็เป็นผ้าหลังที่มีอภิญยาคือสามารถระลึกชาติได้ผ้าหลังที่สามก็มีอภิญยาที่มีฤทธิ์ที่ฤทธิปฏิหารตา่างๆจะมีการสามารถติดต่อกายทิพย์อะไรต่างๆได้นะผ้าหลัชนิดที่สี่ก็เป็นผ้าหลัที่เก่งกาทางด้านแสดงธรรมมีผ้าหลังอยู่สี่ชนิดด้วยกัน คุณสมพรมครับเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าภาพพิสูรรูปนี้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเจ้าคะ่ะเราต้องเป็นพระนั้นเองแล้วเราไปคุยกับท่านดูเราจะรู้ได้ น, นี้เราคนคนตาบอดเราจะไปมองคนคนที่เราเราคําอยู่ว่าเป็นอะไรไม่ได้เราต้องลืมตาเราก่อนเราต้องลืมตาเปิดตาเราก่อนแล้วเห็นหน้าตาของคนที่เราลูบคําอยู่ เวลาจะต้องคุยกับเขาด้วยอย่างเงี้ยมองชี้ชัดก็ยังอาจจะไม่รู้ต้องคุยเหมือนกับคนที่จบหมอกับคนที่ไม่จบหมอนี่จะรู้ได้ไงถ้าไม่คุยกันใช่รับถ้าหมอไม่จบหมอหมอถ้วหมอไปคุยกับคนที่หมอคิดว่าจบหมอแล้วไม่จบหมอหมอจะรู้เขาจบจริงหรือเปล่ากขาไม่รู้ใช่ไหมเพราะตัวหมอเองยังไม่จบจริงเลยแตถ้าหมอจบแล้วไปคุยกับาจะรู้ว่าเขาเขาจบหรือไม่จบ ชัดเจนครับใช่ครับคุณชดครับถ้าเราจะฝึกกรรมฐานจําเป็นไหมายที่เราต้องมีพระที่ท่านรู้จริงเรื่องนี้ชี้แนะแนะนํากำกับดูแลครับก็เหมือนกับปทำอะไรต่างๆศึกษาต้องศึกษาจากคนที่รจริงเรียนคณิตศาสตร์ก็ต้องเรียนจากอาจารย์ที่รู้คณิตศาสตร์ใช่ไหยเรียนวิทยาศาสตร์ก็ต้องศึกษาจากอาจารย์ที่รู้วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ไปศึกษากับหัวลาหัวาหัวาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์ก็เขาเรียนไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยาฝึกกรรมฐานก็ต้องไปฝึกกับคนที่ปฏิบัติกรรมฐา น, นได้แล้วคนที่ปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้ไ ป, ไปเรียนเขาเขาก็เขาทำเองไม่ได้แล้วเขาจะมาสอนเราได้ยังไงคนที่รู้ตํานานที่สอนคนอื่นไม่ได้สอนอย่างถูกต้องไม่ได้เพราะตำนานเป็นเพียงแต่จดจําชื่อของกรรมฐาน ชื่อเขาวิธีการแต่ตัวเองยังไม่ได้กระทำล้าจะไปสอนคนอื่นให้เขาทำได้ถี่ถูกต้องได้องคุณเบญจวรรณบอกว่าขออนุญาตรับพรที่พระอาจารย์อวยพรวันเกิดเมื่อสักครู่ด้วยเจ้าค่ะขอพอรนี้ต้องเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยนะครับสาธุสาธุขอให้เป็นไปตามความปรารถนาเธอ คุณปาการัตครับการคิดบวกความจริงเป็นลบเราจะคิดบวกอย่างไรคะให้คิดตามความเป็นจริงอย่าหลอกตัวเองคิดตามความจริงความจริงจะเนสิ่งที่จะทําให้เราต้องรู้ปรับใจตัวเราให้รับของความจริงแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไปคิดบวกเรากําลังหลอกตัวเองแล้วพอเราไปเจอความจริงข้าเราจะทําใจไม่ได้นะคิดถึงความจริงอย่างเช่นแกเจ็บตายมเจฉาสห้คิดอยู่ทุกวัน เกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่วงพ้นเราแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นี่คือความจริงให้คิดบ่อยๆเมื่อคิดบ่อยๆแล้วมันก็จะทําให้ใจเราต้องน้อมรับความจริงให้ได้ถ้ายอมรับความจริงได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราเจอความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยเป็นการหลอกตัวเราเองแล้วพอเราไปเจอความแก่ความเจ็บความตายเราจะทุกข์มากเพราะเราจะไม่รู้จักทําใจไม่รู้จักวิธี ทำใจให้รับกับความแก่ความเจ็บความตายงั้นให้คิดคิดกลับตามความเป็นจริงอย่าไปคิดบวกคิดบวกนู้นลบเลยบวกก็ไม่ดีลบก็ไม่ดีให้คิดตามความเป็นจริงคุณสุกตาครับรูปภพอรูปภพเฉพาะพระอนาคามีใช่ไหมครับเพราะพระโสดาบันพระสกิทาคามาเกิดในกาลมาภพหนูเข้าใจถูกไหมครับ คือนอกจากพระนาคามีแล้วก็มีผู้ที่ไม่ปุทุชนก็สามารถเข้าในรูปภพอรูปภพได้ใครที่เข้ารูปเข้ารูปฌานได้เวลาตายไปก็ไปเกิดในรูปภพใครที่เข้าอรูปฌานได้ก็ไปเกิดในอรูปภพซึ่งยังไม่ต้องเป็นพระอริยะสมัยที่พรุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสรตวก็มีคนที่เข้ารูปฌานรูปฌานได้เยอะเช่นพระอาจารย์สองรูปของพระพุทธเจ้าก็เข้ารูปฌานก็รูปฌานได้ ท่านตายท่านก็ไปอยู่ในอรูปภพไม่รูปภพไม่จําเป็นแต่เจ้าว่ามีแต่พระอนาคามีเพียงท่านเดียวต่างกันตรงที่ว่าพระอนาคามีไปแล้วไม่เสือ่อมไม่ไม่กลับลงมาต่ำกว่าแต่พระผู้ที่ไปด้วยสติไปด้วยการนั่งสมาธิเข้าเข้าฌ า, านได้นี้เวลาสติเสื่อมลงฌานหมดกําลังลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะยังมีกรารมกรา ม, มาตัณหาที่ไม่ได้ถูก ก็กำจัดด้วยปัญญายังมีติดอยู่ในอยู่ในใจอยู่พอสมาธิเสื่อมลองการมาตฐาก็ออกมาอยากแกเศษการมก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์มีตาอูจะบองเงนื้องกายให้ให้เป็นเครื่องมือแต่ถ้าเป็นธาตุนาคราชนี้ตัดการมาตฐาได้หมดด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่กลับมาอเกิดในกายมาพบเอง เพราะว่าไม่มีไม่มีกรารมติหาที่จะเป็นตัวหนึ่งแต่ท่านยังมีรูปท่านยังมีความอยากในรูปฌปานในอรูปฌานอยู่ท่านยังติดอยู่ในรูปภปพอรูปภพอยู่แต่ท่านละถ้าท่านละดูความอยากในรูปฌปานละหรือความอยากในอารมูปฌานได้ท่านก็จะไปอ น, นิพพานต่นอไปคุณเรืองนาศครับ ความแตกต่างของผู้ที่เลือกลงมาเกิดแล้วดํารงตนเป็นบัประชิตกับขัตระวาสคืออย่างไรครับดูอย่างไรครับ อ, อ๋อไม่ได้เลือกหรอกทุกคนไม่ว่าจะเกิดสูงหรือเกิดต่าําเมื่อบุญหลือบาป ท, ที่ส่งไปให้ไปเกิดสูงหรือต่ำนี้มันหมดกําลังลมมันก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วก็จะมาทําทำทำกิจกรรมที่เคยทําในอดีตชาติถ้าเคยเข้าสมาธิก็จะกลับมาฝึกสมาธิก็จะมานั่งสมาธิต่อมาเป็นนักบวช ถ้าเคยทําบุญทําทานก็จะกลับมาทําบุญทําทานต่อถ้าเคยทําบาปก็จะกลับมาทําบาปต่อเพราะมันนี่มันเป็นนิสัยติดมากับใจต่อที่มันไม่ได้หมดไปกับกําลังของบุญหรือบาปที่ส่งมาให้ไปเกิดพบต่างๆในคนเราจงมีต่างกันในเรืโลกนี้ทำไมบางคนการมารับบวชได้บางคนเกิดมารับวดดบวชไม่ได้ทําไมบางคนเกิดมาแล้วบุญไม้เอาเลยเอาแต่เอาใบยาบุกอย่างเดียวเอาแต่เล่นการพนั้น เสพสลายามา้าบางทีเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกันเสียได้ซ้ำไปนะคนหนึ่งกลับไปทานอบบาลีคนหนึ่งกลับไปทัำไปทานการทําบุญไปบวชก็มีเพราะนี่เป็นนิสัยเก่าที่เคยติดตัวที่เคยทําไว้แล้วมันติดตัวมาติดขมารับใจคนเราถึงมีการบบอยู่แบบชีวิตที่ต่างกันบางคนก็เป็นคารวาสบางคนก็เป็นบัณชิต คุณประชาครับในช่วงเขา้าพรรษาบางคนจะหยุดดื่มเหล้าแต่ถ้าจะเป็นพุทธแท้เราควรจะตั้งเป้าหมายทําอะไรบ้างครับก็หยุดไปตลอดชีวิตเลยถือศีลห้าไปตลอดชีวิตพุทธแท้แล้วต้องทําุญทำทานเป็น เ, อ, เนอย่างต่อเนื่องอย่างสม่สำเสมอมากน้อยก็แล้วแต่กําลังของเราถ้าเราไม่มีกําลังทัซ้ำเราก็ทําบุญด้วยวิธีอื่นได้ทําบุญประโยชน์ด้วยใช้กําลังกายของเราก็ได้เป็นจิตอาสา ไปช่วยเหลือสังคมหรือถ้าเรามีวิชาความรู้ก็ไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษโดยไม่รับเงินเดือนก็ได้อันนี้ก็เป็นการทำบุญในวิธีการต่างๆครือเราควรพยายามยทำทั้งทานศีลและภาวนาทำบุญทาทานสม่ำเสมอรักษาศีลห้าไม่ขาดเนี่ยแล้วก็ภาวนามากน้อยก็แล้วแต่ความสามารถของเราจะภาวนาได้มากน้อยเท่าไหร่ นั่งสมาที่วันละกี่ครั้งนานทักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่แท้จริงควรจะทำคุณปิ่นเขียวครับเพื่อนมักเรียกหนูว่าแม่ชียอยู่บ่อยๆแรกบอกไม่ใช่หลังๆก็เลยเฉยๆอย่างนี้หนูบาปไหมครับไม่บาปเขาจะเรียกอะไรก็ปล่อยเขาบอกเรียกไปคุณกฤษกรครับ การเรียนถามครับกิเลสกับตัณหาต่างกันอย่างไรครตัวเดียวกันแต่ตอนเวลาที่ท่านแสดงท่านก็แสดงลักษณะต่างกันตัณหามันท่านจะบอกเรื่องความอยากในการอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นส่วนกิเลสคือความโลกโลก็โลกอยากได้มากๆอยากมีมากๆ ก, ก็เรียกว่าโลกเดินที่มันกําำหนดเจาะจังว่าโลกกับอะไรแต่ตัณหานี่จะบอกว่าอยากกับอะไรอยากได้โลก อยากได้รูปเสียงกลินรสเนี่ยก็เรียกการมรณ า, าอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนายงอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นสศนนี่ก็การภาวะตัณหาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บยอยากไม่ตายนี่ก็เรียกวิภาวะตัณหาแต่มันก็เป็นตัวโลกตัวอยากเหมือนกันในแต่ตัวโลกไม่ได้บอกว่าโลกกับเงื่อกับอะไรแต่ตัณหาจะบอกว่า อยากกับอะไรคุณรัตพันธ์ครับทุกคนมีเทวดาประจําตัวใช่ไหมคะถ้ามีจริงเราจะทําบุญให้กับเทวดาได้ไหมคะไม่มีหรอกเทวดาเขาไม่ต้องการบุญจากเราเขาก็มีบุญมากกว่าเราก็ถึงเป็นเทวดาให้ทําบุญกับเปรนเบรนีด้เป็นขอทานทางจิตวิญญาเขาไม่มีบุญเขาเลยต้องมาขอขอบุญจากเราแต่เทวดาก็ไม่มาขอบุญจากเราเราก็มีบุญของเขาอยู่แล้ว คุณปุ้ยครับวันนี้ขอโอกาสถามค่ะช่วงนี้งานยุ่งมากบางทีมีอารมณ์รําคาญแต่เป็นอารมณ์ที่เบาบางมากทุกครั้งก็จะรู้ว่าอารมณ์ไม่ปกติอันนี้คือผู้รู้ทํางานหรือเป็นอ น, นิสงส์จากการนั่งสมาธิค่ะหมายถึงรู้หรื้อารมณ์ใช่ไหมถ้ารู้ว่าเราณ์แสดงว่าเรามีสติได้มีสติและสมาธิความสติเราะจะทําให้เรามีสมาธิ เราก็จะเห็นอารมณ์ในใจเราได้ชัดเจนขึ้นคุณเอครับตอนเช้ามีเวลาจำกัดถ้าให้เลือกระหว่างตักบาตรกับนั่งสมาธิเลือกอะไรดีเจ้าคะก็คนจะเลือกทั้งสองอย่างไม่คนที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันมีอันที่สองต่างกันทำมือตักบาตรก็ทำทานสร้างทานบารมี เพราะถ้าเรายังไปไม่ถึงนี่ผ่านชาติหน้ากลับมาเราจะได้ไม่ ires, ไม่ zil, mir, ยากจน things, us, ไม่อดอยากขาดแคลนส่วนสมาธินี่ก็จะทําให้เราอ่ได้ความสุขได้ความสงบแล้วถ้าเราตายไปแล้วก็จะไปอยู่บนสวรรค์ช่านพรหมแต่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะยากจนก็ได้ถ้าไม่ทําทานไม่ไม่ร้อนจีก็ต้องไปบวชเป็นขอทาน พวกที่ไปด้นั่งสมาธิมักจะเป็นก่อนเกิดมามักจะยากจนกันถึงต้องไปบวชกันครับสังเกตครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะยากจนไม่เลวครับแล้วก็อาศัไปบวชกันคุณจินตนาครับพระอาจารย์คะการฝึกสมาธิแล้วเวลาทํางานก็ยังมีหลายๆครั้งที่ยังจําได้ไม่ได้ดีแต่รู้สึกว่ามีเรามีสมาธิในการทํางานแล้ว อยากสอบถามว่าการฝึกสมาธิทําให้ความจําดีขึ้นทุกอย่างไหมครไม่ไม่แน่เสมอไปการการจะมีความจําดีต้องมีการจดจําคอยระลึกถึงเรื่องเรื่องราวที่เราอยากจะจดจําไว้ต้องคอยบันทึกมันไว้ในใจเรื่อยๆบันเทึกว่าวันเกิดเวลาวันที่ทนั้นท่นนี้คิดอยู่เรื่อยๆมันก็จะจําได้ถ้าเราไม่คิดถึงมันเดี๋ยวเราก็อาจะลืมได้อยู่ที่การระลึกลึกถึงมันมากน้อย ความจํานี้อยู่ที่การนานึกไม่ได้อยู่ที่สติแต่ถ้าไม่มีสติก็จะนานึกไม่ได้ถ้ามีสติก็จะสามารถคอยบังคับให้ใจนํานึกถึงเรื่องที่เราอยากจะจําได้คนที่เรียนเก่งเรียนดีก็เพราะมีสติมีสติที่คอยบังคับใจให้คอยจดจําสิ่งที่เราเรียนมาคนที่ไม่มีสติก็จะไม่มีกําลังคอยบังคับใจให้เป็นคอยจดคอยจําเรื่องที่ได้เรียนมาพอไปสอบก็เลยจําไม่ค่อยได้ ขดาดเลยไม่ค่อยดีถ้าเราเป็นลูกชายแต่ไม่ได้บวชถือว่าผิดไหมครับไม่ผิดเรามันเป็นธรรมเนียมความเชื่อเราสามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ด้วยการทําตัวเราให้เป็นคนดีอย่าเสพอ บ, บายอย่มุกอย่าทำบาปแล้วดูแลพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อันนี้เราก็ถือว่าเราก็ได้ทําหน้าที่ของลูกที่ดีแล้ว ไม่สร้างปัญหาให้กับพ่อแม่ไม่ต้องให้พ่อแม่ต้องมาทุกกับเราถ้าเราไปติดคุกเราก็มัพาพ่อแม่ไปติดคุกด้วยเพราะถ้าเราไปติดคุกพ่อแม่ก็ต้องไปเยี่ยมเราที่คุกด้วยไหมคุณนัทมนครับเคยฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทําสมาธิในอิริยาบถไหนก็ได้เลยแนะนําให้แม่นอนดูลมหายใจฝึกสมาธิเพราะที่บ้านจะสวดมนต์ไม่สะดวก คนในบ้านไม่ศรัทธาชอบพูดว่าและขัดขวางการปฏิบัติและไม่มีที่จะแยกไปอยู่ส่วนตัวหรือออกไปที่ไหนได้ถูกต้องไหมครับถูกแต่มันอยู่ที่ผลเนี่ยถ้าเราอยู่ในท่านนอนนี่มันจะหลับง่ายกว่าเข้าสมาธิถ้าสติเราไม่ค่อยดี ม, มีมีไม่มากเวลานอนสมาธินี่มันจะหลับมันจะไม่เข้าสมาธิแต่เวลาอยู่ในท่านนั่งท่านยืนนี้โอกาสที่จะหลับมันยากกว่า แต่มันก็ขึ้นอยู่กับสติว่าเรามีมากมีน้อยด้วยแต่ทําหน้ในโชกดีอะหมดแต่จะได้ผลเมื่อไม่ได้อยู่พัฒนาที่ดีเสีย ก, ก็คือท่านั่นถ้ายืนถ้าเดินนี้มันไม่เคยยืนยืนนันัมันก็เมื่อยนั่งมันสบายกว่าแต่ถ้านอนมันก็จะสบายเกินไปมันก็จะหลับถ้าเดินมันก็จะเคลื่อนไหวมันก็จะเข้าเข้าสมาธิได้ายาก คำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้พระอาจารย์คิดว่าการหาทรัพย์สินเงินทองมีครอบครัวไม่ใช่ทางของพระอาจารย์อ่านในประวัติพระอาจารย์เห็นพระอาจารย์มองว่าต้องการความสงบเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าครับเพราะมีทรัพย์สินมันมันทุกเนี่ยเพราะมีทรัพย์สินก็ต้องกระหดกับการรักษากับการหามาแล้วก็ต้องใช้มันมีทรัพย์สินก็อย่าไปใช้มันพอใช้มันก็มันก็จะน้อยลงไป มันก็ต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นทุกข์การใช้ย์มีทรัพย์สินไม่ใช่มันจะมีแล้วมันจะมีมาตลอดที่ไหนพอใช้ไปเดียวมันก็หมดหมดก็ต้องหาการหาทรัพย์สินมันก็ยากมันก็ทุกข์มีครอบครัวก็ต้องมีมีปัญหาการเลี้ยงดูเขาแล้วก็ต้องกังวลห่วงใยเขาต้องทุกข์กับเขาแต่อยู่คนเดียวทําใจสงบนี้มันไม่ต้องมีอะไรมากังวลมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เดียวความสุขจาก การมีมทรัพย์สินเงินทองเราเรามีทั้งสองอย่างก็มีทรัพย์สินแล้วก็ค่อยค่มีความสงบแล้วก็เอาความสงบดีกว่าเอาสงบนี่มันง่ายคว่ามันไม่ยุ่งยากมันไม่วุว่นวายไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรอาศัยสติของเราเพียงยอย่างเดียวนั่นเองเลยเลาเรเอาความสงบเป็นเป็นความสุขของเราไป อาจารย์ครับวันนี้มีคนฟังใน f เ c e b o o k 707คนใน y o ย t u b บ584คนในกลับเฮ้าส10คนวันนี้มีเพื่อนๆมาฟังทำกัน 1,300 กว่าหนึ่งคนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่มาร่่มฟังกันหวังว่าท่านองคงจะได้เรียนรู้อะไรไปและนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของท่านต่อไปการแสดงสานหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรก่เวลาก็ขอให้ตั ข อ, ขอให้ท่านจงน้อมรสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ถ้ามันมีเวลาขัดข้อก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิ่ยหน้าเวลาเดิมขอเจริญพร กลับกับว่าคุณผู้อาจารย์ครับ